สมัยก่อนนี้ในเมืองจีนนะครับมีภิกษุรูปหนึ่งท่านไปศึกษาไปปฏิบัติธรรมที่สำนักของพระอาจารย์อู่เถอตอนเริ่มต้นนี้ขยันเช่มีความเพียรมากแล้วก็ได้รับความรู้จากครูบาอาจารย์ไปมากพอสมควรพอหลังจากปีหนึ่งผ่านพ้นไปท่านก็เข้าใจว่าตัวเองนะศึกษามามากพอแล้วก็คิดจะออกจากสำนักไปทุดง ตามที่ท่านเองคิดไว้เวลาอาจารย์บรรยายทำท่านก็ไม่มีความสนใจเหมือนแต่ก่อนแถมยังแสดงออกถึงความเบื่อหน่ายอยู่เสมอทีนี้ระดับอาจารย์แล้วรู้นี่พระอาจารย์อูเตอ๋อก็จับตาสังเกตอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งวันนี้อาจารย์ก็คิดว่าจะต้องไต่ถามสาเหตุให้ได้ พอได้โอกาสท่านก็ถามว่าเอภักนี้ไม่เห็นท่านมีกระจิตกระใจกระฟังธรรมเลยไม่ทราบว่าสาเหตุอะไรภิกษุนักศึกษาก็เห็นว่าอาจารย์รู้ความในใจของตัวก็เลยไม่ปิดบังก็พูดกับอาจารย์บอกอาจารย์ครับปีหนึ่งแล้วอ่ะปีที่ผ่านมาเนี่ยกระผมคิดว่า้สิ่งที่ผมเรียนรู้นั้นมากพอแล้วผมก็คิดว่าควรจะออกเดินทุดงเพื่อจะไปหาประสบประการณ์ภายนอก เพื่อจะได้ศึกษาแล้วก็ปฏิบัติต่อไปครับอะไรที่ว่าพอแล้วพอแล้วก็คือเต็มแล้วครับมันบรรจุไม่ลงอีกแล้วถึงจะฟังไปมันก็มันมันเหมือนกับของเต็มอะ่ะมันบรรจุไม่ลงอีกแล้วครับอาจารย์ก็หยิบเอาถังไม้มาใบหนึ่งแล้วก็เอาก้อนกรวดใส่ลงไปจนเต็มถังเสร็จแล้วก็ถามภิกษุนักศึกษาบอกว่า ก้อนกรวดในถังนี่เต็มแล้วหรือยังเต็มแล้วครับเต็มแล้วครับอาจารย์ก็ทร า, ายโรยลงไปอีกสองสามกำมือปรากฏว่าทรายนั้นก็หายไปหมดเลยแล้วก็มันก็คูณขึ้นมาจนกระทั่งถึงปากถังอาจารย์ก็ถามอีกเอาทรายใส่ลงไปเห็นยนะเต็มหรือยังเต็มแล้วครับอาจารย์ก็เอาผงหินปูนโรยลงไปอีกกำมือนึง ปรากฏว่าผงหินปูนก็หายไปหมดข้าวไปอยู่ในนั้นหมดเต็มหรื อ, อยังเออดูเหมือนจะเต็มแล้วครับพระอาจารย์ก็เอาน้ำมาถ้วยหนึ่งเทลงไปอีกปรากฏว่าน้ำนั้นก็หายไปอีกเต็มแล้วหรื อ, อยังภิกษุนักศึกษาไม่พูดอะไรคุกข่าลงกราบพระอาจารย์แล้วพูดว่าอาจารย์ครับทีนี้ผมเข้าใจแจมแจ้งแล้วครับผมจะฟังอาจารย์ต่อครับ เมื่อพูดถึงเรื่องของการฟังธรรมเนี่ยบางคนนี่เบื่อหน่ายเพราะว่ามันมันไม่สนุกหลุงปู่ตื้ออจละธรรมโมเนี่ยเป็นที่กล่าวขวัญกันมากคืออุปนิสัยท่านขวานผ่าซากในวาจานิสัยผงผางไม่กลัวใครมีเทศนาโวหารที่ไม่เคยไว้หน้าใครไม่ว่าคนมั่งมีหรือว่ายาโจกท่านใช้คําพูดเหมือนกันหมด พูดตรงๆไม่ต้องเสกสรรปั้นแต่งท่านบอกว่าท่านเทศตามความจริงไม่ได้เทศเอาสตังหรือว่าเทศเพื่อเอาใจใครญาติโยมบางคนก็บอกว่าหลวงปู่ตื้อน่ยเทศหยาบคายรับไม่ได้ก็มีมีเรื่องเล่าว่าครั้งหนึ่งหลวงปู่กาลังแสดงธรรมเทศนาอยู่เทศผ่านเครื่องขยายเสียงนะ่ยดังลั่นมีญาติโยมบางกลุ่มก็คุยกันจอกจกักจอกจกักแข่งกับการเทศของท่านท่านก็หลับตาเทศอยู่ ญาติโยมก็คุยกันดังท่านก็นหยุดเทศเสร็จแล้วก็พูดผ่านไมโครโฟนเสียงดังเนี่ยหลวงตาตื่อเทศให้ฟังเอาคาสอนของพระพุทธเจ้าเอาของดีๆมาให้ฟังกันเสียงดีเสียงเป็นมงคลให้ฟังก็ไม่ฟังอา้าวงั้นฟังเสียงนี้ก็แล้วกันหลวงตาตื่อ ไมโครโฟนหลงไปจ่อที่ก้นตัวเองแล้วตดปูดเสียงดังผ่านลำโพงออกมาสองสามชุดโยมมีเงียบกริบนะโยมคนหนึ่งตั้งสติก่อนเพื่อนนะผู้เสียงดังโอ้ยขอให้หลวงตามีสุขภาพแข็งแรงนะเจ้าคะ่ะโยมคนอื่นๆก็ยกมือสาธุอ่าสาธุการกันเออเสียงดีเสียงมงคลไม่ฟังที่เสียงตดนี่นิ่งฟังกันอืม นี่หลวงตาตื้อหลวงปู่ตื้ออจฉระธรรมโมทีนี่มาดูเรื่องการเทศกับคนสมัยใหม่เนี่ยในการเทศคราวหนึ่งมีกลุ่มพระภิกษุหนุ่มเป็นมหาป ร, ริญญ์ได้รับการศึกษาที่ทันสมัยตามมาฟังเ ท, เทศ ด, ด้วยในระหว่างที่หลวงปู่ตื้อขึ้นเทศพระภิกษุหนุ่มเหล่านี้ก็ซุบซิบซุบซิบกันพอได้ยินในกลุ่มไม่สามารถจะได้ยินไปถึงหลวงปู่ได้แน่นอน บรรดาพระหนุ่มก็ซุบซิบกันว่าหลวงปู่ตื้อนี่ท่านไม่พัฒนาเลยเทศโบราณมีแต่ของเก่าๆไม่ทันยุคทันสมัยเลยเดี๋ยวนี้มันต้องเทศดักกิเลสกิเลสไปทางไหนต้องไปดักมันให้ท่านจะมาเทศโบราณโบราณคลัค่งครึ้อยางยี่อยู่ใครเขาจะฟังหลวงปู่ท่านหยุดเทศแล้วก็เดินตรงไปหาพระรูปนั่นท่ามกลางควา ม, มงงของบรรดาญาติโยมมาท่านลุกขึ้นไปทไม ท่านก็นิมนต์พระภิกษุหนุ่มรูปนั้นขึ้นเทศแล้วก็ท่านก็พูดเสียงดังชัดเจนบอกอ่าเดี๋ยวหลวงตาจะคอยฟังคุณเหลนคุณมาหาเทศนะอ่าขอให้เทศเอาแต่ของใหม่ๆทันสมัยนะอะอยากจะฟังเหมือนกันว่าเทศทันสมัยมันเป็นยังไงพระมหาหนุ่มรูปนั้นก็เดินขึ้นธรร ม, มาทิ์ด้วยความมั่นใจคิดจะเทศ แบบใหม่ตามยุคตามสมัยตามแบบพระผู้มีปริญญามหาปริญญาเทศออกทีวีกันพระมหาหนุ่มก็ขึ้นต้นวะนะโมเท่านั้นหลวงปู่ตื้อท่านบอกให้หยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยดยุดกุหลนหยุดไม่เอาไม่เอานะโมมันของเก่ามีมาตั้งสองพันกว่าปีแล้วโบราณโบราณครับคือไม่เอาเอาของใหม่ๆนะโมไม่เอากุเหลาญไม่เอา ญาติโยมทั้งสลาหัวเราะหากันตึมเลยนานี่หลวงปู่ตื้ออาจจะละธรรมโมนะท่านสมเด็จพระมหาวีรวงกล่าวถึงหลวงปู่ตื้อว่าหลวงปู่ตื้อนี้ท่านไม่กลัวใครไม่ว่าสมเด็จหรือแม้แต่พระอาจารย์มั่นท่านก็ไม่กลัวฮะเรื่องที่ หลวงปู่ตื้อท่านชอบทำอะไรแปลกๆผิดไปจากสมณรูปอื่นเนี่ยหลวงปู่หลุยจันทสาโรท่านเล่าให้ลูกสิทธฟังว่าพระอรหันเนี่ยเปลี่ยนวาสนาเดิมไม่ได้นอกจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นถึงจะเปลี่ยนวาสนาเดิมได้แม้แต่พระสารีบุตรซึ่งเป็นพระอัครสาวกท่านยังเดินเหินไม่เรียบร้อยกระโดกระเดกเพราะว่าในอดีตชาตินีพระสารีบุตรนี่ท่านเคยเป็นลิงป่ามาก่อน บุคลิกลักษณะเดิมหรือที่พระท่านเรียกว่าศาสนาเดิมก็ยังติดตัวอยู่ละได้ไม่หมดลงปูหลุยเล่าต่อไปว่าเมื่อครั้งพุทธกาลมีพระอรหันต์รูปหนึ่งไปเรียกชอบเรียกคนอื่นว่าไอทอยอคนถูกเรียกก็พากันมากราบทูลพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสว่ามันเป็นนิสัยเดิมเปลี่ยนไม่ได้ แต่ว่าจิตใจของพระรูปนั้นท่านไม่มีเจตนาที่จะไปดูถูกใครว่าเป็นคนเลวแต่ว่ามันติดปากเลิกไม่ได้นะมันเป็นวาสนาเดิมหลวงปู่เพลงพุทธธรรมโมท่านบอกว่าพระผู้สำเร็จฌานแล้วเนี่ยไม่มีมายา ยังมีเหลือแต่กิริยาซึ่งไม่ต้องปรุงแต่งแสดงออกไปตรงๆ ต, ตามวาสนาเดิมของท่านไม่สามารถจะแก้ให้หายได้นอกจากพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นหลวงปู่เพ็งท่านยังยกตัวอย่างหลวงปู่บุตรดาถาวโรวัดกลางชูศรีเจริญสุขจังหวัดสิงห์บุรีบอกว่ามีผู้หญิงอีหนูพยาบาลคอยเช็ดเนื้อเช็ดตัวเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวให้ท่านจะหาว่าท่านอบัติไม่ได้หรอกถูกเนื้อต้องตัวผู้หญิงเพราะว่าจิตของท่านพลสมมุติไปแล้ว เรื่องเพศชายเพศหญิงไม่สามารถจะทำให้ท่านเกิดกามกิเลสได้มันไม่เหมือนกับจิตปุถุชนทั่วๆไปหลวงปู่ตื้อท่านพักจำพรรษาและประจำอยู่นานที่สุดที่วัดป่าอาจารย์ตื้ออำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ครั้งสุดท้ายท่านกลับไปจาพรรษาที่วัดบ้านเกิดที่วัดป่าอรัญญวิเวกอเาเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนม แล้วก็ไปมรณะภาพวันที่19กรกฎาคมปี2517สิิริรวมอายุได้86ปีท่านเกิดในครอบครัวชาวนาเกิดตั้งแต่ปี2431วันจันทร์ที่สมคุมพาพันที่จังหวัดนครพนมอำเภอสีสงครามโยมพ่อชื่อนายปลาโยมแม่ชื่อนางปัด หลวงปู่มีพี่น้องร่วมบิดามารดาทั้งหมดเจดคนผู้ชายห้าผู้หญิงสองพี่น้องทุกคนรวมทั้งหลวงปู่นี่มรณาภาพไปหมดแล้วก็เป็นไปตามธรรมดาของสังขารที่ยังเหลืออยู่ก็แต่ความดีความชั่วยังให้คนระลึกถึงพูดถึงไปอีกนานในบรรดาเครือญาติของหลวงปู่ตื้อนี่นับเป็นครอบครัวที่ใกล้ชิดกับวัด มาตั้งแต่ดั้งเดิมสนใจต่อพระพุทธศาสนาเป็นที่น่าสังเกตว่าบรรดาผู้ชายเนี่ยล้วนแต่ได้บวชเป็นพระภิกษุถ้าเป็นผู้หญิงก็สละบ้านเรือนมาบวชชีจนตลอดชีวิตก็หลายคนหลวงปู่ตื้อก็ได้รับการปลูกฝังให้สนใจการบวชการเรียนสนใจศาสนาโดยสายเลือดเลยทีเดียวท่านเป็นสิทธวัด ร, รับใช้พระเนนตั้งแต่ยังเป็นเด็กแล้วก็เคยบวชเนนมาครั้งหนึ่งท่านก็เลยมีความคุ้นเคยกับวัด คุณเคยกับพระกับเจ้าเป็นอย่างดีแล้วก็มีความปรารถนาที่จะบวชเป็นพระภิกษุเมื่อถึงเวลาอันควรก็ ค, คือคิดเรื่องการบวชอยู่ตลอดเวลาก่อนที่หลวงปู่จะได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุนั้นคืนหนึ่งท่านฝันว่ามีชีปะขาวคือตาพระขา ว, ออาขาวสองคนเนี่ยเข้ามาหาท่านคนหนึ่งแบกครกหินอีกคนถือสากเอามาวางไว้ตรงหน้าท่านตาพระขาวคนแรกก็บอก ไอ้หนูแกยกสากนี่ออกจากครกได้ไหมโทษเอ้ขนาเสาเรือนผมยังแบกคนเดียวได้ภาษาอะไรก็สากเพียงแค่เนี้ยตาแล้วหลวงปู่ก็ลงมือยกทันทียกสองครั้งสากก็ไม่ขยเื่อนพอพยายามครั้งที่สามถึงได้ยกสากหินนั้นขึ้นมาได้หลวงปู่มองเห็นว่ามีข้าวเปลือกอยู่เต็มครกท่านก็ลงมือตําจนข้าวเปลือกในกลายเป็นข้าวสารไปหมดแล้วตาผ้าขาวทั้งสองก็หายไป เสร็จแล้วก็ปรากฏว่าท่านเห็นภิกษุสองรูปผิวพรรณผ่องใสกิริยาอาการหน้าเคารพเลื่อมใสท่านก็มั่นใจว่าจะต้องเป็นพระผู้วิเศษก็ตรงเข้าไปกราบพระภิกษุองค์หนึ่งก็พูดกับหลวงปู่ตื้อบอกว่าเออหนูน้อยเ อ, อ้ยเจ้ามีกําลังแข็งแรงมากนะพูดเพียงแค่นั้นพระท่านก็หายไปแล้วหลวงปู่ก็ตื่นท่านมั่นใจว่าจะต้องเป็นฝันดีจะต้องมีเหตุการณ์ที่ดีเกิดขึ้นกับท่านอย่างแน่นอนหรือว่าท่านจะได้บวชตามที่ใจปรารถนาก็ไม่รู้ ถ้าบวชก็ดีจะได้มีโอกาสประพฤติปฏิบัติธรรมตอนเย็นพอกรับจากทอาอ้องนาต้อนวัวควายเข้าคอกเรียบร้อยแล้วพ่อของท่านก็บอกว่าไอ้หนูเมื่อตอนกลางวันนะปู่จานสิมท่านมาที่บ้านมาถามหาเองเห็นว่ามีธุระสำคัญจะพูดด้วยกินข้าวอิ่มแล้วให้ไปบ้านปู่สิงห์ดูสิว่าท่านมีเรื่องอะไร คำวา่าอาจารย์หรือว่าพ่ออาจารย์ปู่จารย์เนี่ยทางอีสานนี่หมายถึงผู้ใหญ่ที่เคยบวชพระหลายภรษาหรือว่าเคยเป็นเจ้าอาวาสแล้วก็สึกออกมาครองเรือนถือว่ามีความรู้มีคุณธรรมเป็นครูบาอาจารย์ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือเมื่อลงปู่ตื้อทานข้าวเสร็จแล้วท่านก็รีบไปพบปู่าจารย์สิมทันทีปู่าจาย์ก็เรียกให้เข้าไปข้างในเรือน เปิดประตูเข้าไปก็เห็นมีผ้าไตรจีวรมีบาตรมีบริขารสําหรับบวชพระเตรียมไว้อย่างเรียบร้อยปู่จันท์สิมก็มอบขันดอกไม้ที่เตรียมไว้ให้หลานชายเสร็จแล้วก็บอกว่าปู่เห็นมีเอ็งคนเดียวเท่านั้นที่ควรจะบวชให้ปู่ปู่ก็เตรียมเครื่องบวชไว้ให้เรียบร้อยแล้วปู่อยากจะให้เอ็งบวชให้ปู่สักพรรษาหนึ่งหรือว่าเออทาไม่ได้ก็เอาสักเจ็ดวันก็ยังดีบวชให้ปู่เป็นพอ จะนานเท่าไหร่ก็ได้ไม่เป็นไรหลวงปู่ตือ้อถึงนก็ปลื้มใจมากก็ตอบรับปู่ทันทีเลยแต่ว่าต้องไปขออนุญาตไปบอกลาพ่อแม่ก่อนพอพ่อแม่รู้เรื่องก็ดีใจกับลูกชายท่านก็อนุญาตอนุโมธนาสาธุการต่อจากนั้นหลวงปู่ตื้อก็เข้าไปอยู่เป็นลูกศิษย์วัดไปเรียนรู้ทำธรรมเนียมพระแล้วก็ฝึกขานหนาคเตรียมตัวที่จะบวชท่านบวช เป็นพระมหานิกายบวชกับพระอุปชาคารที่อำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมตามประวัติบอกไว้ว่าหลวงปู่ตื้อท่านอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเมื่ออายุ21ปีบวชนานถึง19บาพรรษาแล้วก็มายติเป็นธรรมยุทธที่วัดเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่ท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณอุปมาจารย์เป็นพระอุปชา หลวงปู่ตื้ออยู่ในฝ่ายธรรมยุต 46, สี่พรรษาจวบจนท่านละสังขารเมื่ออายุแปหปีรวมอายุพรรษาที่ท่านบวชเป็นพระทั้งหมดทั้งทั้ ง, งธรรมยุตมหานิกายนี่รวมหกพรรษาตอนนั้นหลวงปู่บวชที่ท่าอุเทนแล้วท่านก็กลับไปจำพรรษาที่วัดบ้านเกิดเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยขั้นตน้นแล้วก็ท่องบนสวดมนต์ต่างๆ ตามที่พระเนนเขาใช้สวดกันเป็นประจำเมื่อหลวงปู่ตื้อบวชครบเจ็ดวันปู่จานสิมของท่านก็มาที่วัดถามพระหลานชายว่าต้องการจะศึกหรือว่ายังถ้าศึกจะได้กลับบ้านไปจัดเสื้อจัดผ้ามาให้เปลี่ยนหลวงปู่ตื้อท่านก็รู้สึกลังเลในตอนนั้นใจนึงก็อยากศึกใจนึงก็ไม่อยากศึกแต่มาคิดได้ว่าถ้าศึกตอนนั้นชาวบ้านก็จะพากันเรียกว่าไอ้ทิศเจวันนี้อับอายขายกีนา ก็เลยบอกปู่จานสิมบอกอาตมายังไม่อยากสึกขออยู่ไปก่อนนะเดี๋ยวรอให้ออกพรรษาก่อนเถอะหลวงปู่ตื้อท่านก็บวชอยู่จนได้ครบพรรษาแรกก็หัดท่องหัดสวดมนต์เจ็ดตำนานสิบสองจำนานจนจําได้ขึ้นใจออกไปสวดงานต่างๆในหมู่บ้านอื่นรวมกวับพระอื่นๆเขาได้พอออกพรรษาแรกในเดือนเสด็จปู่จานสิมก็มาอีกมาถามอีกว่าอยากจะสึกแล้วหรือยังท่านก็ทำเฉยเสีย พอรู้สึกว่าใจคอมันก็สงบสบายดีอยู่ท่านก็คิดในใจว่าท่านบูเรียนแค่ภาษาเดียวการเล่าเรียนพระธรรมนี่ยังไม่ได้อะไรเลยอาราธนาศีลห้าศีลแปดอาราธนาพระเทศยังทําไม่คล่องเลยจําได้ผิดผิ ด, ผดถูกๆูกถ้าสึกออกไปถ้าชาวบ้านเขาไหว้หวานให้นําอาราธนาต่างๆเว่าไม่ได้ก็คงจะขายที่หน้าเขาแน่ๆหลวงปู่ตื้อท่านก็บอกกับปู่จานว่าตอนเนี้ท่านยังรู้สึกสบายดีอยู่ จะขอบวชไปเรื่อยๆก่อนว่าอย่างนั้นหลวงปู่ตื้อบวชจนกระทั่งมาเรียนสมาธิวิปัสนาที่วัดโพธิสมพรซึ่งตั้งอยู่ในเมืองตัวจังหวัดอุดรธานีในสมัยนั้นยังมีสภาพเป็นป่าอยู่ยังไม่มีบ้านเรือนมากมายเหมือนสมัยปัจจุบันหลวงปู่ท่าน พำนักที่วัดโพธิสมพรระยะหนึ่งก็เรียนรู้เกี่ยวกับการทำสมาธิภาวนาการปฏิบัติทุดงกรรมฐานรู้สึกว่าถูกกับอุ ป, ปนิสัยของท่านท่านก็เลยเลิกล้มความตั้งใจที่ว่าจะไปเรียนพระปริยัติธรรมที่กรุงเทพเปลี่ยนมาเป็นการออกปฏิบัติแทนหลังจากที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติภาวนารู้ข้อวัดเกี่ยวกับการเที่ย ว, ท, ยวทุด ง, ดงกรรมฐานพอสมควรแล้ว ท่านก็พร้อมจะออกตุดงแล้วเป้าหมายแรกของท่านมุ่งออกไปทางฝั่งประเทศลาวเพราะว่าเป็นที่ที่พระตุดงในสมัยนั้นท่านไปกันมากเพราะมีความเหมาะสมในการบําเพ็ญภาวนาหลายอย่างท่านก็ออกจากจังหวัดอุดรธา น, นีมุ่งหน้าไปทางหนองคายแวะพักปฏิบัติภาวนาพร้อมกับโปรดญาติโยมชาวบ้านป่าไปเป็นระยะระยะขําที่ไหนก็ปักปลดพักภาวนาที่นั่นหลวงปู่ไปแวะพักที่ประบาทบัวบก อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีหยุดภาวนาอยู่ที่นั่นหลายวันแล้วก็เดินทางมุ่งไปทางฝั่งประเทศลาวท่านเดินทางข้ามแม่น้ําโขงไปลาวไปพักบําเพ็ญเพียรบริเวณนครเวียงจันทร์เป็นเวลาหลายเดือนท่านเล่าให้ลูกศิษย์ฟังว่าท่านไปอยู่ที่เชิงภูเขาควายเนี่ยสี่เดือนเต็มเต็มคืนแรกที่ไปถึงภูเขาควายก็ไปนั่งภาวนาภายในถ้ำเล็กๆแห่งหนึง่ง พอเริ่มนั่งสมาธิไปได้สักชั่วโมงเสรศจๆก็ได้ยินเสียงดังอู้อูมาแต่ไกลมือนก็เสียงลมพัดพอลืมตาดูก็ไม่เห็นอะไรท่านก็หลับตาทำสมาธิต่อปรากฏว่ามีพึ่งเป็นหมื่นๆม่นแสนๆตัวมาบินวนเวียนเหนือศีรษะของท่านเสียงยังก็เรือบินเสร็จแล้วผงพึ่งก็บินลงมาเกาะตามผ้าจีวรของท่านเต็มไปหมดท่านต้องเปลื้องจีวร อ, ออกถอดผ้าอังสะออกเหลือนุ่งผ้าสะบงผืนเดียว รวบชายสะบง n ด้านหน้าเอาลอดวางขาแล้วมาเหน็บไว้ที่ขอบเอวด้านหลังเหมือนกับนุ่งผ้าจุงกระเบนรัดรอบขอบขาให้ตึงประกันไม่ให้พึ่งมันชอนชัยเข้าไปในผ้าได้ในบันทึกไม่ได้กล่าวว่าท่านนั่งสมาธิต่อหรือว่าท่านทำยังไงบอกแต่เพียงว่าฝูงพึ่งเดี๋ยมันตอมตายยั่วเยี่ยไปตามเนื้อตามตัวท่านเต็มไปหมดแต่ว่าไม่มีตัวไหนต่อยเนื้อตัวท่านเลยท่านสงบนิ่งไม่เคลื่อนไหวใช้ความอดทนรอดูมัน ประมาณยี่สิบนาทีปูงพึ่งก็พากันบินจากไปก็จัดว่าพึ่งปูงนี้มาเป็นครูสอนกรรมฐานฝึกความอดทนให้กับหลวงปู่ได้เป็นอย่างดีหลังจากปูงพึ่งกลับไปหมดแล้วหลวงปู 4, ่ตื่นก็นั่งสมาธิต่อพอท่านนั่งไปได้สักสองชั่วโมงเศษก็ได้นิมิตท่านเห็นคนศีรษะขนาดใหญ่มองเห็นแต่ไกลค่อยๆโผล่ขึ้นมาจนเห็นเต็มร่าง มีรูปร่างใหญ่โตมากมาหยุดยืนดูท่านนานพอสมควรโดยไม่ได้พูดจาอะไรหลวงปู่ก็สงบนิ่งดูอยู่คนคนนั้นยืนจ้องท่านนานพอสมควรแล้วก็หันหลังกลับเดินออกไปในทิศทางที่โผล่มาเหมือนกับเดินลึกลงไปร่างกายส่วนล่างนี่หายไปตามลําดับแล้วศีรษะอันใหญ่โตก็รับหายไปอย่างรวดเร็วหลวงปู่ก็ไม่ได้มีอาการหวั่นไหวแต่อย่างใดท่านนั่งภาวนาอยู่ที่เดิมนั่งอยู่ไม่นานก็ปรากฏเป็นเทวดาสององค์ใส่มงกุฎสวยงามเข้ามาหาท่าน เทวดาองค์หนึ่งก็พูดขึ้นบอกว่าอาจารย์ครับห่างจากนี้ไปไม่ไกลมีพระพุทธรูปทองคำสิบองค์พระพุทธรูปเงิน15องค์ฝังอยู่ขอให้ท่านอาจารย์ไปเอาขึ้นมาครับเพื่อให้คนทั้งหลายได้กราบไหว้สักการะบูชาเพราะว่าตอนนี้ไม่มีใครอยู่เฝ้ารักษาเลยแล้วพูดเท่านั้นเทวดาทั้งสองก็หายไปหลวงปู่ไม่ได้ออกค้นหาพระพุทธรูปตามที่เทวดาบอกเพราะท่านไม่มีความประสงค์จะมาเสาะแสวงหาทรัพย์สมบัติ แต่ว่ามุ่งค้นหาสัจธรรมตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแถวใกล้นครเวียงจันทร์หลวงปู่ตื้อไปปักหลดภาวนาบนเส้นทางช้างศึกของเจ้าอนุวงศ์กษัตริย์ในประวัติศาสตร์ของเราหลวงปู่ปักหลดภาวนาอยู่บนเส้นทางนั้นหลายคืนไม่ทราบว่าท่านมีจุดประสงค์ภายในใจอะไรหลวงปู่เล่า ว, ว่ามีคืนหนึ่งท่านได้นิมิตว่ามีวิญญาณหลงทางมหามากมายจริงๆส่วนใหญ่เป็นทหนารหนุ่มๆทั้งนั้น เดินผ่านมาทางที่ท่านปักหลดอยู่ที่ท่านเรียกว่าวิญญาณหลงทางก็คือเป็นพวกมิจฉาทิฏฐิไม่รู้จักกราบไหว้พระเจ้าบางคนก็ยืนมองพระเฉยๆบางคนก็สนุกสนานเฮฮาไปตามเรื่องหลวงปู่ก็แผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลไปให้ก็ปรากฏว่าไม่ได้ทําให้พวกนี้สามารถระลึกแล้วก็คลายทิฏฐิมานะเลยวิญญาณเหล่านั้นได้แต่มาปรากฏให้เห็นเท่านั้นไม่ได้แสดงกิริยาอะไรกับท่าน คล้ายกับเป็นวิญญาณที่มืดบอดจากคุ ณ, ณธรรมความดีท่านก็เลยเรียกว่าเป็นวิญญาณหลงทางยังไม่สามารถจะชี้แนะในทางที่ดีได้ท่านก็ปล่อยให้วิญญาณเหล่านั้นผ่านไปท่านปักรลดภาวนาในที่ต่างๆแถวนครเวียงจันทร์อยู่4เดือนเศษมีโยมมาขอท่านพักอยู่นานๆเขาจะสร้างกุฏิถวายแต่ท่านไม่รับนิมนต์ท่านก็บอกชาบ้านว่าท่านตั้งใจจะเดินทุดงขึ้นเหนือไปเรื่อยๆเพราะว่าเป้าหมายเนี่ยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งคนถิ่นนั้นรู้จักเชียงใหม่ว่าเป็นเมืองเหนือของไทยใหญ่หลวงปู่ตื้อตั้งใจจะไปเสาะหาไปฟังคําสอนหลวงปู่มั่นภูริทัตโตที่ท่านตอนนั้นท่านไปอยู่เชียงใหม่เชียงรายหลวงปู่ตื้อเล่าให้ลูกศิษย์ฟังบอกว่าการออกทูดงครั้งนั้นไปกันหกองค์แต่ว่าไม่ได้เดินทางไปด้วยกันต่างแยกย้ายกันไปแสวงหาที่มัมเพนตามนิสัยของตัวหลายๆวันก็จะพบปะกันบา้างไต่ถามเรื่องราวซึ่งกันและกันแล้วก็แยกกันต่างองค์ต่างไป นอกจากพระไทยแล้วบางครั้งก็พบกับพระพระมา่าซึ่งท่านก็ออกท่องเที่ยวทุดงไปเหมือนกันออกจากเวียงจันทร์หลวงปู่ตื้อทุดงไปหลวงพระบางหนทางเดินลาบากที่สุดสภาพทั่วไปเป็นป่าทึบแล้วก็ภูเขาสูงมากมายบางวันเดินขึ้นเขาสู ง, สงแล้วก็เดินลงไปอีกด้านหนึ่งใช้เวลาทั้งวันใน่ยอยู่เขาลูกเดียวพอตกเย็นค่ามืดท่านก็ปักหลดพักผ่อนทความเพียพรภาวนา ไดอารุณก็ตื่นออกเดินทางต่อไปบางวันหลวงปู่ก็ไม่ได้บินธบัติไม่ได้ฉันอาหารเลยเพราะไม่พบบ้านเรือนต้องเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆท่านบอกว่าถนนขนทางแถวนั้นนะหายากรถยนต์ก็ไม่มีโอกาสเข้าไปได้เลยขนาดเดินเท้ายังยากเลยจะเอารถที่ไหนมาวิ่งจากบันทึกของลูกศิษย์บอกว่าในช่วงที่หลวงปู่ตื้อเดินทุดงจากหลวงพระบางไปใกล้จะถึงเมืองแม่เมืองกาสีท่าน เดินออกจากเขาลูกหนึ่งบริเวณเชิงเขาเป็นป่าละเมาะมีต้นไม้เตี้ยๆทางเดินก็ไม่ลาบากเหมือนกับช่วงที่ผ่านมาท่านเดินไปเรื่อยๆไม่นานก็เห็นภูเขาอีกลูกหนึ่งข้างหน้าเสร็จแล้วไกลออกไปนะท่านก็มองเห็นชีปะขาวนั่งสมาธิอยู่บนก้อนหินใหญ่ก้อนหนึ่งท่านก็เลยเดินตรงเข้าไปหาพอหลวงปู่เดินเข้าไปใกล้จะถึงแล้วชีปะขาวไปนั่งสมาธิอยู่ไกลออกไปอ่า ไกลเหมือนเก่าอ่ะท่านก็เดินเข้าไปอีกก็แปลกใจว่เอ๊ะเขาก็นั่งอยู่เฉยๆแล้วทําไมก้อนหินก้อนนั้นเคลื่อนที่ออกไปได้ท่านเพ่งมองแล้วก็เดินเข้าไปหาต่อพอเข้าไปใกล้ๆปรากฏว่าไม่ใช่ชีประขา ว, วากลายเป็นก้อนหินที่มีรูปร่างเหมือนคนนั่งสมาธิอยู่ใกล้ๆกันนั้นก็มีแอ่งน้ําธรรมชาติมีน้ำใสไหลยเย็นประกอบไปตอนนั้นเย็นละใกล้จะคํา หลวงปู่ตือก็ตัดสินใจกลางกรดเพื่อพักบาเพ็ญเพียรตรงนั้นเพราะว่าท่านรู้สึกเหนื่อยอ่อนมาหลายวันตกกลางคืนขณะที่ท่านนั่งสมาธิอยู่ก็นิมิตเห็นชีประขาวเหมือนกับที่พบเมื่อตอนกลางวันเข้ามาหาแล้วก็บอกหลวงปู่บอกว่าข อ, อนิมนต์ให้ท่านอยู่ที่นี่นานๆนะครับเดี๋ยวข้าน้อยจะสอนวิชาเดินป่าที่ไม่รู้จักอดอยากให้ แล้วจะพาไปดูสมบัติต่างๆภายในธรรมท่านอยากจะได้อะไรก็จะมอบให้หมดหลวงปู่ก็ถามชีบขาวว่าเออเมื่อเมื่อกลางวันในโยมนั่งสมาธิอยู่บนก้อนหินนั่นหรือเปล่าชีบขาวก็บอกว่าใช่แต่ว่าที่ทาหายตัวห่างออกไปเรื่อยๆนั้นก็เพราะว่าเออคือต้องการให้ท่านามาหยุดพักผ่อนตรงนี้ก็เลยพามาเรื่อยๆ พวกข้น้อยนี่เป็นพวกกายทิพย์มีวิมานอยู่ที่นี่หลวงปู่ก็อนุโมทนากับความหวังดีของชีปะขาวเสร็จแล้วหลวงปู่ก็บอกกับเขาบอกว่าคืออตาตมาะเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าในโยมกําลังปฏิบัติตามรอยพระบาทของพระองค์ไม่ต้องการสมบัติอะไรทั้งหลายที่ทันยามอบให้หรอกเวลานี้ต้องการจะรู้เพียงว่าจะเดินไปทางไหนถึงจะถึงบ้านคนได้ง่ายเพราะว่าเ อ, อ ฉันไม่ได้ฉันอะไรมาห้าวันแล้วสิ่งที่ท่านต้องการยังอยู่ไกลมากนะครับแต่ถ้าท่านพยายามเดินทางให้เร็วก็จะถึงเร็วพอกราบเรียนอย่างนั้นแล้วจีบระขาวก็หายไปพอหายไปแล้วท่านยังอยู่ในสมาธิต่อไปลืมตาขึ้นท้องฟ้าก็ได้สว่างไดอรุณวันใหม่ละ ท่านก็ออกเดินทางไปตามที่ชีปะขาวบอกเดินไปไม่ไกลก็ไปพบหมู่บ้านชาวป่า mm. ก็มีประมาณสิบหลังคาเรือนพอท่านหาที่พักได้แล้วก็เข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านมีคนมาใส่บาตรท่านห้าหกคนแสดงว่าหมู่บ้านแห่งนี้เคยมีพระธุดงมาโปรดสั่งสอนแล้วแม้ว่าจะพูดกันไม่รู้เรื่องพวกเขาก็ยังรู้จักใส่บาตรพระ นับเป็นวันแรกที่หลวงปู่ได้ฉันอาหารนับตั้งแต่เดินทางออกจากหลวงพระบางเมื่อห้าวันที่แล้วพวกชาวบ้านป่าเรียกตัวเองว่าพวกข้าพวกเขาได้แสดงอาการขอให้หลวงปู่ในพักอยู่ด้วยนานๆแต่ว่าหลวงปู่ก็แสดงอาการให้รู้ว่าท่า น, นขอบใจไม่สามารถจะอยู่ได้ อ, อ, อยู่ด้วยได้หรอกเพราะว่าท่านมีกิจจะต้องเดินทุดงไปเรื่อยๆพอฉันพัฒนาเสร็จเรียบร้อยหลวงปู่ก็ทุดงต่อ เดินไปตามภูเขาและดงไม้ไปถึงเมืองที่เขาเรียกเมืองทั้งห้าทั้งหกแล้วก็เข้าสู่เขตพม่าบริเวณเมืองเชียงตุงสมัยนั้นประชาชนชาวพม่าเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากพระสงค์องค์ข้เจ้าก็มีเยอะแล้วก็ได้รับการอุปถรัรมภ์เลี้ยงดูจากประชาชนเป็นอย่างดีหลวงปู่ก็ออกตุดงตามป่าตามเขาหลีกเลี่ยงการเข้าพักบ้านผู้คนหรือว่าใกล้หมู่บ้าน นอกจากว่าเข้าไปบินธบุรพอได้อาศัยเท่านั้นท่านได้พบพระพระมา่าอยู่บ่อยๆพระเถระผู้เท่าก็มีสามเณรก็มีพวกท่านเหล่านั้นกลางกรดบาเพ็ญเพียรอยู่ตามป่าเขาห่างไกลบ้านผู้คนท่านเล่าว่าชนชาวพมา่าเนี่ยสนใจในกรรมฐานมากพอสมควรพระสงฆ์แล้วก็สามเณรชาวพมา่าบางท่านออกเดินทุดงกรรมฐานชนิดไม่กลับวัดเลย คือหายสามศูนย์ไปเลยก็มีมากหลวงปู่บอกว่าพระพมา่านี่เก่งทางคาถาอาคมมากบางครั้งเมื่อพบกันพระพม่าก็มักจะสอนคาถาต่างๆให้เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางในถิ่นที่ธุระกันดันช่วงเดินทุดงในเขตพมานะ่าเนี่ยท่านบอกว่าเป็นการเดินทางที่ยากลำบากที่สุดรวมทั้งไม่สะดวกหลายอย่างเกี่ยวกับการถือเคร่งตามพระวินยัย ทางเดินสบายๆนี่ไม่มีเลยแต่วันไหนได้เดินไปตามเชิงเขาแล้วก็จะรู้สึกสบายบ้างแต่มักจะเป็นระยะสั้นๆแค่สองสากิโลเมตรเท่านั้นส่วนมากจะมีแต่ขึ้นเขาเข้าป่าป่าก็รกตื้อเลยฉเฉลี่ยเดินทางวันหนึ่งได้แค่เจกิโลเมตรเท่านั้นเองถ้าหากสุขภาพไม่แข็งแรงจิตใจไม่เข้มแข็งจริงๆแล้วต้องป่วยไข้ทําให้ลําบากแล้วก็ทุกทรมานมากขึ้นหลวงปู่ตื้อบอกว่า ก, า, การภาวนาตามป่าเขาเนี่ย จิตสงบดีมากแม้ว่าการเดินทางจะลำบากแต่ก็สปายะดีสำหรับเรื่องสัตว์ร้ายผีสางเทวดาไม่มีปัญหาอะไรกลับได้อารมณ์ความมาัฐานดีซะอีกได้ประโยชน์ในการบำเพ็ญภาวนาเป็นอย่างมากอุปสรรคสำคัญในการเดินทุดงในเขตพมา่าได้แก่ความไม่สะดวกเกี่ยวกับเรื่องพระวินัยบางข้อหลวงปู่ก็เลยทุดงมุ่งกลับมาเมืองไทยเข้ามาทางจังหวัดน่านลงไปเขตเมืองแพร่แล้วก็เดินทุดงไปจังหวัดเลยตอนเหนือ ระยะการเดินทางนับร้อยร้อยกิโลเมตรพบที่ไหนเหมาะสมก็ปักหลดภาวนาที่นั่นบาเพ็ญเพียรอย่างไม่มีการลดละเป็นช่วงที่บำเพ็ญเพียรได้ดีมากสุขภาพก็แข็งแรงไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยเลยหลวงปู่ตื้อกับหลวงปู่แหวนสุจิโนโ น, นี่เป็นสหทธันบิกที่รักใคร่ชอบพอกันมากท่านทั้งสองเคยร่วมทุดงไปยังสถานที่ต่างๆหลายต่อหลายแห่งสมัยที่ยังเป็นพระหนุ่ม พระธุดงค์หนุ่มทั้งสองรูปนี้ได้ไปพบกันครั้งแรกที่ป่าภูพันธ์ตอนนั้นหลวงปู่ตื้อจาริกมาจากพระบาทบัวบกจังหวัดอุดรธานีทั้งหลวงปู่ตือ้อหลวงปู่แหวนก็ได้สนทนาแลกธรรมแลกเปลี่ยนความรู้กันเป็นที่ชอบใจถูกอัธยาศัยยิงนักแล้วก็หลวงปู่ตือ้อหลวงปู่แหวนสมัยเป็นพระธุดงค์นี้ ท่านมีปฏิปทาที่ตรงกันแม้ว่าบุคลิกภายนอกจะแตกต่างกันอย่างมากหลวงปู่ตื้อนี่ห้าวจะหลวงปู่แหวนนี่นิ่มอย่างกระู้หญิงแต่ก็เข้ากันได้ดีทั้งสองท่านเป็นพระนุ่มฝ่ายมหานิกายที่ท่องตุดงแต่ลำพังอย่างโดดเดี่ยวกล้าหาญโดยไม่มีครูบาอาจารย์ฝ่ายกรรมฐานคอยกำกับชี้ทางเลยหลวงปู่แหวนเคยเข้ากราบถวายตัวเป็นศิษย์และได้รับคานี้ชี้แนะจากหลวงปู่มั่นมาก่อนแล้ว ในครั้งที่หลวงปู่มั่นทุดงอยู่แถวจังหวัดอุดรธานีครั้งที่หลวงปู่แหวนยังเป็นสามเณรอยู่แต่พอหลวงปู่มั่นท่านไปทุดงทางภาคเหนือแล้วหลวงปู่แหวนก็เลยไม่มีครูบาอาจารย์กรรมาฐานคอยชี้แนะท่านอีกท่านก็ดันด้นฝึกฝนปฏิบัติเองอยู่ตามป่าตามเขาตามลำพังทางด้านหลวงปู่ตื้อก็ใฝ่ใจปรารถนาจะเจอพระอาจารย์มั่นให้ได้เหมือนกันเพราะว่าได้ยินกิตติศัพท์เรื่องลือเกี่ยวกับปฏิปทาจริยาวัรของพระอาจารย์มั่นมามาก แต่ก็ยังไม่ได้พบท่านสมใจหวังสักทีทั้งหลวงปู่ตื้อหลวงปู่แหวนต่างก็ปรารถนาจะได้พบแล้วก็ได้รับการชี้แนะจากท่านก็ตกลงกันว่าจะหากว่าศาสนายังคงมีจะได้พบพระอาจารย์ใหญ่สมใจหวังเนี่ยเราอย่าเร่งรัดตัวเองแล้วก็การเวลาเลยถ้าไม่ตายซะก่อนคงจะต้องได้ฟังธรรมจากพระอาจารย์มั่นเป็นแนะ่ในระหว่างนี้เราควรจะจาริกทุดดงไปตามเส้นทางของเราก่อนเถอะ หลวงปู่ตื้อกับหลวงปู่แหวนก็เริ่มต้นทุดงเข้าไปทางฝั่งลาวทางด้านอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยพอข้ามแม่น้ำโขงไปแล้วก็พบแต่ป่าทึบก็ต้องเดินมุดป่าไปเรื่อยๆเป้าหมายอยู่ที่เมืองหลวงพระบางในการเดินทางเท้านั้นตลอดทางหลวงปู่ทั้งสองก็พบสัตว์ป่ามากมายก็อาศัยเดินมุดป่าไปตามรอยช้างไปเรื่อยๆเพราะสะดวกสบายกว่าบุกเข้าไปในป่าที่มันรกชัด ตอนที่หลวงปู่ตื้อกับหลวงปู่แหวนพบกันแล้วก็เริ่มออกตู้ดงด้วยกันใหม่ๆทั้งสององค์ก็มุ่งหน้าข้ามแม่น้ําโขงไปทางสุวรรณเขตในประเทศลาวตอนจะข้ามแม่น้ําโขงหลวงปู่ตื้อได้แสดงอะไรบางอย่างให้หลวงปู่แหวนดูคือเรื่องมีอยู่ว่าทั้งสององค์ในหาเรือข้ามฝากไม่ได้แม่น้ําโขงก็ไหลเชี่ยวจัดเพราะว่าเป็นคุ้งน้ําไหลผ่านช่องเขาไอตรงน้ำมันค่อนข้างแคบน้ําเชี่ยวมากหมู่บ้านใกล้สุดก็อยู่ห่างออกไปไม่น้อยกว่า1กิโลเมตร มองไม่เห็นเรือแพอยู่แถวนั้นเลยหลวงปู่ตื้อท่านก็บอกว่าเีย๋ยวท่านแหวนไม่ต้องวิถวกอะเดี๋ยวก็มีเรือมารับเราข้ามฟากเองท่านก็ยืนนิ่งหลับตาบริกรรมคาถาอึดใจใหญ่ๆก็ลืมตาเออเดี๋ยวเรือจะมารับอีกสักพักก็มีเรือหาปลาพายผ่านมาพอเห็นพระหนุ่มทั้งสองรูปยืนอยู่ที่ท่าน้ําก็พายเรือเข้ามารับพาข้ามฟากไปผู้ชายคนนั้นบอกว่าเขากําลังหาปลาอยู่กลางแม่น้ํา เสร็จแล้วรู้สึกสังหรณ์ว่ามีพระกำลังรอเรือข้ามฟากเขาก็เลยพายเรือมาดูก็พบพระคุณเจ้าทั้งสองจริงก็นับว่าสัจจันท ร, ร์มากหลวงปู่ตื้อท่านก็ยิ้มยิ้มแล้วก็บอกว่าโยมได้บุญกองใหญ่แล้วคราวนี้ที่เอาเรือมารับพระข้ามฟากเนี่ยนะขอให้มันทำความดีไว้เถอะถ้าจะเลิกจับปลาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเสียได้ก็ยิ่งดีใญ่ทูาไมจับปลาแล้วจะให้ขน้อยทำมาหากินอะไรล่ะครับ ก็ทําไร่ทํานาหากินโดยสุจริตก็ดีแล้วอะต่อไปชีวิตครอบครัวจะเจริญรุ่งเรืองอยู่ดีกินดีอตัตมาขอให้พรนะคนหาปลามีความศรัท ธ, ธาพระทุดวงทั้งสององค์เป็นอย่างมากต่อมาภายหลังนี่ทราบว่าเขาเลิกหาปลาจริงๆแล้วก็หันมาทํานาทําไร่เลิกการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตชีวิตครอบครัวเขาก็มีความเจริญรุ่งเรืองทํามาค้าขายขึ้นจนมีเงินมีทองสามารถสร้างวัดได้สองแห่งสาแห่ง ทั้งนี้ก็คงจะเป็นด้วยอา น, นิสงผลบุญที่เขาเอาเรือมารับพระภิกษุผู้ครองศีลบริสุทธิ์ข้ามแม่น้ำแล้วตัวเองเขาก็มีความเชื่อมั่นในพรที่พระท่านให้แล้วก็เลิกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตโดยแท้จริงทั้งหลวงปู่ตื้อหลวงปู่แหวนซึ่งเป็นพระหนุ่มก็ร่วมเดินทางไปตลอดทั้งกลางวันพอพบคร่าก็เลือกอาศัยพักอยู่ใกล้หมู่บ้านคนพอได้อาศัยโครจรบิทบาทตอนเช้า หลวงปู่ตื้อท่านเล่าถึงชาวป่าเผ่าหนึ่งที่ท่านทั้งสองได้พบระหว่างทางในตอนใกล้พระอาทิตย์ตกดินวันหนึ่งชาวป่าเหล่านั้นก็พากันเอากระติบข้าวเหนียวมาถวายแล้วก็เดินเข้าแถวมาเป็นสิบเป็นสิบคนเลยแสดงความประสงค์จะถวายอาหารด้วยความศรัทธาชาวป่าพวกนี้ไม่ทราบว่าพระภิกษุเนี่ยรับอาหารยามวิกาลคือหลังเที่ยงวันไปแล้วไม่ได้แต่ว่าพวกเขามีศรัทธาก็ร้องบอกกับท่านทั้งสองว่า งอเจ้าเหนียวงอเจ้าเหนียวแม่ไม่รู้ภาษากันก็พอจะดาวความประสงค์นั้นได้หลวงปู่ทั้งสองก็บอกด้วยอาการปฏิเสธว่าอาหารนั้นไม่รับขอรับเพียงน้ําร้อนก็พอท่านก็พยายามสื่อความหมายด้วยท่าทางจนกระทั่งรู้เรื่องกันได้พอรุ่งเช้าหลวงปู่ตื้อหลวงปู่แหวนก็เข้าไปบินทบาทในหมู่บ้านก็ต้องทําการบินทบาทด้วยวิธีโบราณคือไปหยุดยืนอยู่หน้าบ้านทําเป็นกระแอมไอส่งเสียงให้เขาออกมาดูพวกเขาก็ไม่เข้าใจท่านก็ต้อง เอานิ้วชี้ลงที่บาทเนี่ยอถึงจะได้ข้าวมาฉันพวกคนป่าเหล่านี้คงจะไม่เคยรู้จักพระมาก่อนไม่รู้ธรรมเนียมพระไม่รู้วิธีอุปถัมภ์พระทั้งหลวงปู่ตื้อหลวงปู่แหวนเดินทางไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีวัดประจําหมู่บ้านแต่ไม่มีพระสงฆ์อยู่มีเนนอยู่รูปเดียวสมมามเณรก็ดีใจมากที่เห็นพระอาคันตุกะสองรูปมาแวะเยี่ยมก็จัดหาที่พักนอนหาน้ําร้อนมาถวายเสร็จแล้วสมมามเณรก็หลบออกไป สักพักหลวงปู่ทั้งสองก็ได้ยินเสียงไก่ร้องกระโตกกระตากเสร็จแล้วก็งเงียบเสียงลงพักเดียมีกลิ่นไก่ย่างโชอยมาตามลมหลังจากนั้นไก่ย่างร้อนๆก็ถูกนํามาวางตรงหน้าหลวงปู่ทั้งสองสัมเนนก็ประเคนอาหารด้วยความนอบน้อมนิมนต์ครูบาฉันไก่ก่อนข้าวเหนียวกําลังร้อนๆ น, นะครับนิมนต์ครับหลวงปู่ทั้งสองก็รับประเคนอาหารจากเนนให้ศรีให้พรตามธรรมเนียม แล้วท่านจะฝืนพระวินัยฉันไก่ย่างร้อนๆนั้นได้อย่างไงเพราะมันเป็นมังสะอุทิตคือเป็นการจงใจฆ่าสัตว์เพื่อทําอาหารถวายพระโดยตรงถึงแม้ว่าท่านทั้งสองจะไม่เห็นแต่ท่านก็รู้ท่านได้ยินเสียงท่านก็เลยละเว้นการฉันไก่ย่างก็ฉันแต่ข้าวเหนียวเปล่าๆเท่านั้นทั้งสองรูปหลวงปู่ตื้อหลวงปู่แหวนร่วมเดินทางไปจนถึงเมืองหลวงพระบาง แต่ทั้งสององค์ไม่ได้ไปด้วยกันโดยตลอดบางช่วงท่านก็แยกกันไปบางโอกาสก็มาพักปักหลดด้วยกันรวมทั้งบางโอกาสก็จำพรรสาร่วมกันทั้งสององค์ในจัดเป็นคู่อัดคู่ทมที่แปลกมากคือทั้งสององค์มีมมมอุปนิสัยภายนอกที่แตกต่างกันอย่างมากเลยก็ อ, อย่างที่ว่าหลวงปู่ตื้อท่านห้าวอ่าออกจะดุดุจะหลวงปู่แหวนน่นิ่มนวลเยือกเย็นเหมือนผู้หญิงเรียบร้อย ท่านก็ร่วมเป็นสหธรนมิกไปด้วยกันได้เป็นอย่างดีแล้วหลวงปู่ตื้อเนี่เป็นพระชอบพูดชอบเทศมีปฏิปทาผาดโผนผู้เสียงดังตรงไปตรงมาชนิดไม่กลัวหน้าอินหน้าพร้อมหลวงปู่แหวะนนะ่ยพูดน้อยพูดก็พูดเสียงเบาๆแทบไม่ได้ยินชอบอยู่เงียบๆ เ, เทศก็ไม่ชอบเทศมีแต่ให้ข้อธรรมสั้นๆมีปฏิปทาเรียบง่ายไม่โลดโผนท่านเดินทางร่วม กันไปแล้วก็เกื้อกูลซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดีเรียกว่าเป็นสหัธานมิกที่มีความใกล้ชิดกันที่สุดเลยแม้ในภายหลังเมื่อหลวงปู่มั่นในเดินทางกลับไปภาคอีสานแล้วหลวงปู่ทั้งสององค์ก็ยังพำนักอยู่ในภาคเหนือต่อไปจนเข้าสู่วัยชราภาพแล้วสถานที่ที่ทั้งหลวงปู่แหวนหลวงปู่ตื้อเนี่ยพำนักอยู่ก็ไม่ห่างไกลกัน พอไปมาหาสู่ถามถ่ายถึงกันได้โดยตลอดจากประวัติของหลวงปู่แหวนสุจินโนที่พระอาจารย์นาควาัฒนพันธวงศ์ท่านเรียบเรียงไว้ท่านบันทึกการเดินทางทุดงของหลวงปู่แหวนในส่วนที่เกี่ยวกับหลวงปู่ตื้อเอาไว้ว่าเมื่อสมัยหลวงปู่แหวนสุจินโนยังหนุ่มท่านชอบเที่ยวจาริกไปตามสถานที่ต่างๆทั้งในประเทศและนอกประเทศ เท่าที่จะสามารถเดินไปได้สมัยก่อนการคมนาคมไม่สะดวกจะไปไหนไม่ต้องกังวลเรื่องรถเรื่องเรือเพราะว่าทางสะดวกมีอยู่ทางเดียวคือเดินไปแล้วก็เดินกลับในเขตภาคอีสานนอกจากอุบลราชธานีแล้วหลวงปู่แหวนนี่พักอยู่ที่อุดรธานีเป็นส่วนใหญ่เช่นเมื่อครั้งไปตามหาท่านหลวงปู่มั่นที่บ้านคอดงมาไฟแล้วก็เคยไปจำบรรษาที่นาหมีนายูงต่อมา หลวงปู่ไปจำมันษาที่พระบาทบัวบกซึ่งอยู่คนละฟ้ากับพระบาทบัวบกส่วนเขตแดนอีสานอื่นก็มีที่อำเภอท่ารี่จังหวัดเลยเมื่อหลวงปู่แหวนกลับมาพักผ่อนหลังจากจาริกไปลาวคือไปทางฝั่งซ้ายแม่น้ำางสง15วันก็ตั้งใจจะเที่ยวตามเมืองต่างๆจนถึง12ปันนา12จุไทยทางเหนือแต่ทหารฝรั่งเศสไม่ให้ไปก็เลยไปพักที่วัดใต้หลวงพระบางระยะหนึ่ง แล้วก็กลับมาพร้อมได้หลวงปู่ตือ้อหลังจากพักหายเหนื่อยแล้วก็ปรึกษากับหลวงปู่ตือ้อมุ่งเดินทางไปทางภาคเหนือเดินไปข้าไหนก็นอนที่นั่นไม่มีลูกศิษย์ให้เป็นห่วงหลวงปู่ทั้งสองออกจากท่าลี่จังหวัดเลยไปออกด่านท้ายข้ามป่าข้ามเขาไปอำเภอน้ําปาดผ่านเขตอำเภอนครไทยไปถึงอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถแล้วก็ตัดไปอำเภอนา น, น้อยจังหวัดแพร่ผ่านหมู่บ้านชาวเขาเผ่าเยาว แล้วก็ลงมาพักหมู่บ้านคนเมืองตามคํานิมนต์จากนั้นก็เดินทางต่อไปสูงแม่นเด่นชัยเดินไปตามทางรถไฟจกนกระทั่งถึงลําปางเสร็จแล้วหลวงปู่ตือ้อเขแยกตัวไปพักที่อําเภอเถินหลวงปู่แหวนเดินทางต่อไปยังเชียงใหม่เที่ยวดูภูมิประเทศโดยรอบทั้งบนดอยสุเทพแล้วก็ที่อื่นๆแล้วก็เดินทางกลับมาพบหลวงปู่ตือ้อที่ลําปางหลังจากนั้นคือปีสองพ หลวงปู่ทั้งสองก็แยกทางกันหลวงปู่แหวนลงไปกรุงเทพเพื่อจะไปรับฟังการอบรมจาก เ, าาเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปม า, าจารย์ที่วัดบรมนิวาตอนหลังทั้งหลวงปู่แหวนหลวงปู่ตื้อได้ไปกราบหลวงปู่มั่นที่เชียงใหม่โดยหลวงปู่แหวนได้ยติเป็นธรรมยุทธ์ก่อนอต่อจากนั้นทั้งสององค์ก็ท่องเที่ยวทุดงติดตามหลวงปู่มั่นไปยังที่ต่างๆในภาคเหนือติดต่อกันหลายปี พระอาจารย์บุรชัตดพรหมจาโรโอซึ่งเป็นสิทธ์ได้บันทึกเรื่องราวตอนที่หลวงปู่ตื้อเข้าถวายตัวเป็นสิทธ์หลวงปู่มั่นว่าเวลานั้นที่จังหวัดเชียงใหม่พระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเพชรเม็ดเอกของพระพุทธศาสนาและท่านเจ้าคุณพระอุบาลีกุณุปมาจารย์มาพักสอนกรรมฐานที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อรู้ข่าวอย่างนั้นหลวงปู่ตื้อก็ได้เดินทุดงกรรมฐานจากจังหวัดเลยขึ้นไปเชียงใหม่ ไปทางลมสักหลายคืนถึงจังหวัดเชียงใหม่จะขึ้นรถยนต์รถไวก็อัตคัดปัจจัยแล้วก็ปัจจัยก็หายากมากรถยนต์ก็มีน้อยมากจนนับจํานวนได้ในจังหวัดเชียงใหม่เวลานั้นมีรถยนต์ทั้งหมดสองคันเป็นรถของหลวงอนุสารสุนทรอีกคันนึงเป็นของใครจําไม่ได้พระจานทร์ตื้อเดินทางถึงจังหวัดเชียงใหม่ก็ไปกราบพระจานทรย์มั่นแล้วก็พักอยู่กับท่านที่วัดเจดีหลวงในเมืองเชียงใหม่ อยู่ไม่นานเท่าไหร่ก็ได้ยติเป็นธรรมยุตโดยมีท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์เป็นพระอุปชาเสร็จแล้วเวลานั้นหลวงปู่ตื้อเนี่ยอายุได้37ปีนะตอนนั้นปีสองพสี่ท่านอายุ37ปีเมื่อท่านได้บวชเป็นธรรมยุตก็พำนักอยู่ที่วัดยาดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อคอยออกกรรมฐานติดตามพระอาจารย์มั่นต่อไประหว่างนั้นพระอาจารย์ตื้อติดตามไปกับพระอาจารย์มั่นไปตามถ้ำต่างๆหลายแห่งเป็นลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดญาหลวงปู่มั่นท่านก็ไว้ใจในการออกตุดงกรรมฐานมากท่านก็มักจะถามแล้วก็พูดด้วยเสมอจึงถือว่า หลวงปู่ตื้อเนี่ยเป็นลูกศิษย์เอกของพระอาจารย์มั่นซึ่งเป็นที่รู้กันทั่วไปในเวลานั้นหลวงปู่มั่นพาคณะศิษย์ออกตุดงไปทางเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ไปถึงเขตอำเภอเชียงดาววันหนึ่งหลวงปู่มั่นก็ได้นิมิตเห็นถ้ำพระปัจเจกกับพุทธเจ้าอยู่บนดอยเชียงดาวสูงขึ้นไปเป็นถ้ำที่สวยงามกว้างขวางสะอาดอากาศปลอดโปรง่งเหมาะที่จะเป็นที่พักบําเพ็ญเพียรภาวนามาก ถ้ำนั้นอยู่บนดอยที่สูงมากยากที่ใครจะขึ้นไปถึงได้ต้องใช้ความอดทนความพยายามสูงมากรวมทั้งมีพลังใจที่กล้าแข็งจริงๆถึงจะขึ้นไปได้หลวงปู่มั่นต้องการให้พระลูกศิษย์ขึ้นไปสำรวจถ้ำแห่งนั้นเมื่อพิจารณาดูแล้วก็เห็นว่านอกจากหลวงปู่ตื้อแล้วก็ยังไม่เห็นใครเหมาะสมที่จะขึ้นไปได้ก็เลยบอกให้หลวงปู่ตื้อเดินทางขึ้นไปสำรวจดูถ้ำแห่งนั้นเช้าวันรุ่งขึ้น หลังจากฉันประตานแล้วหลวงปู่ตื้อพร้อมกับพระอีกสามรูปก็ออกเดินทางขึ้นยอดดอยเชียงดาวเพื่อสำรวจดูถำ้ำตามที่ได้รับมอบหมายหนทางขึ้นสู่ยอดดอยแสนที่จะลําบากเพราะว่าต้องปีนเขาสูงไม่มีทางอื่นที่จะเดินลัดหรือว่าเลาะเลี้ยวไปตามเชิงเขามีทางเดียวต้องปีนป่ายเหนี่ยวตัวเองเกาะไปตามแง่าหินรั้งตัวขึ้นไปซึ่งเป็นการเสี่ยงมาก หลวงปู่ตื้อเล่าให้ลูกศิษย์ฟังว่ายิ่งสายก็ยิ่งเหนื่อยบางแห่งทางแคบมากจริงๆต้องเดินเอี้ยวหลบเข้าไปได้ทีละคนเท่านั้นเองเป็นช่องเขาบางช่วงต้องปีนป่ายห้อยโหนเพราะไม่มีทางเลี่ยงอื่นต้องเสี่ยงชีวิตเอาคณะของหลวงปู่ตือ้อปีนป่ายถึงยอดเขาประมาณห้าโมงเย็นแต่ก็ไม่มีวี่แววว่าจะพบถ้ำแล้วก็ไม่ทราบว่าถ้ำอยู่ที่ไหนด้วยบริเวณรอบๆนี้ไม่ได้สอเขาว่ า, วาจะมีถ้ำเลย คณะต้องเดินอยู่บนเขาอีกสี่ชั่วโมงกว่าบนยอดเขาก็มีลมพัดแรงมากตกกลางคืนยิ่งพัดแรงยันตัวแทบจะปลิวไปตามแรงลมจะหาถ้ำเล็กๆพอจะหลบลมก็ไม่มีคืนนั้นปรากฏว่าไม่ได้หลับได้นอนกันพระทุกองค์ต้องใช้เชือกตากผ้าที่เตรียมไปผูกมัดตัวไว้กับต้นไม้แล้วก็นั่งสมาธิภาวนากันทั้งคืนยิ่งดึกลมยิ่งแรงดูผิด ป, ปกติธรรมชาติเป็นอย่างมากทีเดียว พอรุ่งเช้าได้อารุณปรากฏว่ามีญาติโยมจัดพระตาหารมาถวายคนพวกนั้นเป็นพวกชาวเขาแท้ๆอาศัยทำไร่อยู่บนยอดดอยอย่างถาวรพอฉันเสร็จก็พากันเดินทางต่อไปแม้ว่าจะเดินบนหลังเขาหนทางก็ยากลำบากมากเหมือนกันอ่าพอๆกับที่ปีนขึ้นมาที่แรกคณะหลวงปู่ตื้อก็เดินอยู่จนเที่ยงวันก็ถึงบริเวณหนึ่งที่เข้าใจว่าน่าจะเป็นที่ที่ เรียกว่าถ้ำพระประเจกพุทธเจ้าตั้งอยู่บริเวณข้างหน้าเนี่เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ต้องใช้ขอนไม้เกาะเป็นแพรถึงจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งได้พระที่ไปด้วยกันไม่มีใครกล้าข้ามนะหลวงปู่ตื้อกนอาสาข้ามน้ำไปดูเพียงองค์เดียวครับหลวงปู่ตื้อท่านจะไปเจอกับอะไรเวลาหมดซะแล้วท่านผู้ฟังศีลรไม่กลับมาโลกาจะวินาท ขอเชิญท่านทั้งหลายร่วมกับอาจารย์ยอดสร้างแผ่นบันทึกเสียงกฎแห่งกรรมและเรื่องเล่าชาวบ้านถวายวัดวาอารามมอบให้สถานีวิทยุชุมชนทั่วประเทศมอบให้โรงเรียนและหอกระจายข่าวและภิกษุสามเณรที่สนใจติดต่อร่วมบุญได้ที่อาจารย์ยอดหมายเลขโทรศัพท์0 8 4ย์3 8 7 7 0่หก หสสปดครับหลังจากที่หลวงปู่ตื้อและคณะฉันอาหารที่ชาวเขานำมาถวายเสร็จเรียบร้อยก็พากันเดินทางต่อมาแม้ว่าจะเดินบนหลังเขาหนทางก็ยากลำบากเดินอยู่ถึงเที่ยงวันก็ถึงบริเวณหนึ่งที่เข้าใจว่าน่าจะเป็นที่ ที่เรียกว่าถ้ำพระประเจกพระพุทธเจ้าตั้งอยู่บริเวณข้างหน้าเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ต้องใช้ขอนไม้เกาะเป็นแพรถึงจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งได้พระที่ไปด้วยกันไม่มีใครกล้าข้ามไปหลวงปู่ตื้อก็เลยอาสาข้ามน้ำไปดูเพียงองค์เดียวก่อนจะข้ามน้ำไปหลวงปู่ก็นั่งสมาธิดูก่อนปรากฏเป็นเสียงคนพูดเบาๆพอเสียงนั้นเงียบหายไปก็มีเสียงอีกเสียงหนึ่งพูดขึ้นว่า งูใหญ่งูใหญ่พูดอยู่สองสามครั้งแล้วก็ปรากฏเป็นผู้ชายรูปร่างบึกบืนสูงใหญ่ผิวดําเมี่ยมเนาะมายืนพูดกับหลวงปู่บอกว่าท่านจะเข้ามาในถ้ำไม่ได้แร้วนะที่นั่นมีงูตัวใหญ่มากก็เฝ้ารักษาอยู่หลวงปู่ตื้อก็พูดกับผู้ชายคนนั้นบอกว่าที่พวกอาตมาขึ้นมาที่เนี่ไม่ได้มาเบียดเบียนใคร ไม่ได้มุ่งจะมาเอาอะไรแต่ว่าประสงค์จะขึ้นมาดูถ้ำตามที่พระอาจารย์มั่นท่านใช้ให้มาตอนนั้นเองพอหลวงปู่พูดจบลงชายผู้นั้นก็หายไปท่านก็พิจารณาดูต่อไปเมื่อเห็นว่าไม่มีอะไรอีกแล้วก็ออกจากสมาธิแล้วท่านก็จัดแจงหาขอนไม้มาทำแพรเอาเทียนจุดไว้ที่หัวแพรแล้วก็เกาะแพรลอยข้ามน้ำไปยังฝั่งตรงข้ามท่านลองอย่างดูเห็นว่าน้าลึกมาก จกนกระทั่งไม่สามารถจะยั่งถึงได้หลวงปู่เกาะแพไปอีกฝักก่งแล้วก็ได้พบกับถ้ำที่เรียกว่าถ้ำพระประเจกคพรพุทธเจ้าตามที่หลวงปู่มั่นได้พบเห็นในนิมิตเป็นถ้ำที่ใหญ่โตกว้างขวางสวยงามมากอากาศก็โปร่งสบายพื้นถ้ำสะอาดสะอ้านเหมือนกับมีคนดูแลปัดกวาดเป็นอย่างดีท่านก็เข้าไปสํารวจภายในถ้ำในถ้ำนั้นมีแสงสว่างอยู่ในตัวแม้ว่าจะเดินลึกเข้าไปก็ไม่มืด ถ้ำ น, นี้มีลักษณะพิเศษกว่าถ้ำอื่นจริงๆลักษณะของถ้ำกว้างและยาวลึกเข้าไปข้างในเขาด้านหลังถ้ำออกไปมีแอ่งน้ําธรรมชาติน้ําใสสะอาดน่าดื่มน่ากินนอกถ้ำออกไปข้างหลังมีป่าไม้ประเภทไม้ผลที่อุดมสมบูรณ์ใบเขียวชะอุ่มยังก็ได้รับการดูแลอย่างดีด้านนอกถ้ำอยู่สูงที่สุดเนี่ยเป็นหน้าผาที่สูงชันมาก คงไม่มีใครขึ้นไปได้หรือว่าถ้าขึ้นไปได้ก็คงไม่คิดจะลงมาอีกหลวงปู่ตื้นนั่งสมาธิภาวนาอยู่ น, นั้นพบว่ามีพวกกายทิพย์เข้ามาหาท่านแล้วก็พบวิญญาณชีประขาวน้อยรูปหนึ่งเป็นผู้เฝ้าดูแลรักษาถ้ำแห่งนี้ชีประขาวน้อยก็บอกกับหลวงปู่ว่าพระประเจกับพุทธเจ้าท่านไม่ได้อยู่ที่ถ้ำนั้นแล้วแล้วชีประขาวน้อยก็หายไปทางหลังถ้ำ หลวงปู่ตื้อบำเพ็ญภาวนาอยู่ภายในถ้าจนครบห้าวันก็พาหมู่คณะเดินทางกลับลงมาทางเดิมหลวงปู่มั่นก็ถามคณะที่ไปสำรวจถ้ว่าเป็นยังไงหน้าอยู่จริงหรือเปล่าหลวงปู่ตื้อก็กราบเรียนมาในถ้ำทีสวยงามหน้าอยู่จริงๆแต่ว่าไม่มีบ้านคนเลยพวกกระผมนี่ฉันใบไม้ตลอดห้าวันบ้านคนไม่มีไม่รู้จะไปบินทบาทที่ไหนแล้วอีกประการหนึ่งที่เป็นปัญหาสาคัญก็คือลมพัดแรงมาก พัดหูพัดตาอยู่ลำบากอยู่ในถ้ำก็สบายดีมากครับแต่ข้างนอกไม่ดีหลวงปู่มั่นก็บอกว่าทำไมพวกคุณถึงไม่เลยพากันขึ้นไปดูบ่อน้ำทิพย์ที่อยู่หลังถ้ำนั้นด้วยละ่ะบ่อน้ำทิพย์ศักดิ์สิทธิ์อันนั้นนะตหากว่าใครได้อาบและดื่มเป็นการชุบตัวแล้วเนี่ยจะมีอายุยืนมากนะสามารถที่จะห่อเหินเดินอากาศได้ด้วยหลวงปู่ตื้อก็กราบเรียนบอกว่ากระผมขึ้นไปเหมือนกันแล้วรับ แต่พอขึ้นไปบนหลังถ้ำนะี่ปรากฏว่าเป็นหน้าผาสูงและชันมากสูงถึงเกือบสัก10บหรือสิวานะขึ้นไปไม่ได้หรอกครับเพราะว่าหน้าผาชันจริงๆทางอื่นที่จะขึ้นไปก็ไม่มีกระผมก็เดินดูรอบๆตั้งสองสารอบถ้าขึ้นไปได้ก็คงลงมาไม่ได้อะพระอาจารย์ใหญ่ก็บอกว่าพวกเราคงจะไม่มีบุญว่าสนาบรารมีที่จะเหาะได้ละมั้งก็พากันเดินลงมาจนเท้าแตกหมดถ้าหากว่าขึ้นไปได้ก็คงลงมาไม่ได้ แต่ขึ้นไปได้แล้วลงมาได้อย่างนี้ก็สามารถมากแล้วเก่งเมื่อออกจากถ้ำเชียงดาวแล้วหลวงปู่มั่นท่านก็นําสานุสิทธิ์เดินทุดงไปทางอําเภอพร้าวศิษย์ที่ร่วมเดินทางมีหลวงปู่ตื้อหลวงปู่แหวนและพระภิกษุสัมเณี น, นติดตามอีกสองสมรูปคณะหลวงปู่มั่นเดินทางไปถึงที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นช่องแคบที่จะไต่ขึ้นเขาพอดีมีช้างเชือกหนึงกําลังกินใบไผ่ ยืนขวางทางอยู่ตรงช่องแคบนั้นคณะก็ไม่มีทางอื่นที่จะเลี่ยงไปได้เวลานั้นช้างกับพระได้อยู่ห่างกันประมาณสิบว่ามีเสียงหนึ่งให้ความเห็นว่าพวกเราน่าจะกลับถอยหลังไปก่อนแล้วค่อยมาใหม่หลวงปู่มั่นท่านหยุดพิจารณาแล้วก็พูดขึ้นบอกว่าเออท่านตื่อท่านตื่อหลองพูดกับช้างดูบ้างสิหลวงปู่ตื่อก็พูดกับช้างบอกพี่ชาย เดี๋ยวเราขอคุยด้วยหน่อยนะฝ่ายช้างในหยุดชะงักจากการกินใบไผ่ทันทีพี่ชายเดี๋ยวเรามาคุยกันหน่อยเนช้างหันมาดูทางหมู่พระหูทั้งสองข้างกลางยืนนิ่งไม่ไหวติงเดียวหลวงปู่ตือก็บอกเออพวกเราขอขอทางสักหน่อยได้ไหมขอทางเดินหน่อยพี่ชายมายืนกินใบไผ่อยู่ตรงนี้เราไม่มีทางเดินะ่ะเพราะว่าพี่ชายยืนปิดทาง แล้วพวกเราก็กลัวพี่ชายมากพี่ชายหลีกให้เราหน่อยได้ไหมเพราะท่านพูดจบช้างก็รีบหันหน้าเข้ากอไผ่ข้างทางแสดงให้เห็นว่าหลีกทางให้แล้วพระธุดงก็ออกเดินโดยหลวงปู่ตื้อเดินออกหน้าหลวงปู่มั่นเดินเป็นอันดับสองพระเนนองค์อื่นนะก็เดินตามมันไปเป็นแถวหลวงปู่แหวนอยู่รั้งท้ายพอผ่านช้างไปแล้ว ก็เดินไปเรื่อยประเอิน้นพอหลวงปู่แหวนผ่านช้างไปได้วาเสร็จแตะขอกรดของท่านเกิดไปเกี่ยวกับกิ่งไผ่พอดีพยายามปลดอยู่นานก็ไม่หลุดจะดึงแรงก็กลัวช้างจะตกใจตื่นช้างเชือกนั้นยังนิ่งสงบอยู่ในท่าเดิมจะด้วยเหตุอะไรก็ไม่รู้หลวงปู่แหวนไม่สามารถจะปลดตะขอกรดให้หลุดจากกิ่งไผ่ได้หลวงปู่มั่นก็หันกลับไปเห็นเหตุการณ์ก็เรียกให้หลวงปู่ตื่อหยุด แล้วก็ให้กลับไปช่วยหลวงปู่แหวนจนปลดตะขอกรดออกมาได้แล้วคณะก็ออกเดินทางต่อไปเมื่อถึงที่นั่งพักเหนื่อยหลวงปู่มั่นก็พูดกับบรรดาสิทธ์บอกว่าช้างเชื่องนี้เป็นสัตว์ที่แสนรู้น่ารักน่าเอ็นดูน่าสงสารด้วยพร้อมกันนั้นหลวงปู่มั่นท่านกระชมหลวงปู่ตื่ว่าท่านตื่อเก่งมากสามารถพูดให้ช้างตัวใหญ่เก็บอาวุธไร้แล้วก็หลีกทางให้ และพวกเราไม่กําหนดดูใจเขามันดูบ้างช้างตัวนั้นเวลาท่านตื้อพูดขอทางจบลงนะที่แรกมันตกใจรีผันหน้ามาทางเราโดยเร็วเลยมันก็คงคิดว่าเป็นศัตรูของมันแต่พอมันเห็นถนัดว่าเป็นผ้ากาสาวพัดครองอยู่มันก็รู้ว่าเป็นเพศที่สงบเย็นไม่เบียดเบียนใครแล้วก็เชื่อใจได้มันก็หลีกทางให้แต่โดยดีหลวงปู่ตื้ออจฉละธรรมโมได้ชื่อว่าเป็นสิทธิเอกของหลวงปู่มั่นพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายกรรมฐาน ในช่วงที่หลวงปู่มั่นพำนักอยู่ในภาคเหนือยาวนานถึง12ปีท่านออกท่องทุดงเพื่อบำเพ็ญเพียรแล้วก็เผยแพร่พระธรรมกรรมฐานโปรดญาติโยมในตินต่างๆหลวงปู่ตื้อก็ติดตามไปแทบทุกคนทุกแห่งเป็นสิทธิที่หลวงปู่มั่นให้ความเชื่อถือมากที่สุดองค์หนึ่งปี2482หลวงปู่มั่นเดินทางกลับอีสานตามคาอาราธนาของเจ้าคุณพระธรรมเจดี เจ้าอาวาสวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานีเพื่อให้ท่านกลับไปเผยแพร่อบรมกรรมฐานแก่สาธุรสิทธิ์และประชาชนชาวอีสานที่รอคอยท่านมาเป็นเวลานานพอหลวงปู่มั่นกลับไปภาอีสานแล้วทั้งหลวงปู่ตื้อกับหลวงปู่แหวนก็ยังพำนักอยู่ภาคเหนือต่อท่านชอบอากาศทางภาคเหนือท่านบอกเย็นสบายดีถูกอัตยาสายถูกท่าขันของท่านภูมิประเทศก็เป็นป่าเขาสงบสงัดเหมาะที่จะบําเพ็ญเพียร หาความสงบทางใจหลวงปู่ตื้อได้สร้างวัดกรรมฐานขึ้นหลายแห่งที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักดีก็คือวัดป่าดาราพิรมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่อีกวัดหนึ่งก็คือวัดป่าสามัคคีธรรมสมัยนั้นเป็นเพียงสำนักสงฆ์ยังไม่ได้มีชื่อเป็นทางการครูบาอาจารย์บางท่านก็เรียกวัดธรรมสามัคคี หลังจากหลวงปู่ตื้อหยุดทุดงแล้วก็มาพักประจําที่วัดแห่งนี้เพราะว่าเป็นวัดที่สงบมีความวิเวกเมื่อหลวงปู่ตื้อท่านกลับไปอยู่บ้านเกิดที่จังหวัดนครพนมแล้วประชาชนทั่วไปก็เรียกวัดป่าสามกีธรรมเป็นวัดป่าหลวงตาตื้อเพื่อเป็นอนุสร์แก่หลวงปู่ที่พำนักอยู่ภาคเหนือเป็นเวลานานต่อมาภายหลังก็มีการขออนุญาตจะตั้งวัดถูกต้องแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นทางการว่าวัดป่าอาจารย์ตื้อ ตั้งอยู่ตำบลสันมหาพลอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่หลวงปู่ตื้อออกทุดงกรรมาฐานติดต่อกันยาวนานกว่า50ปีเรื่องของท่านเนี่ยมีมากแต่ว่าขาดการรวบรวมและจดบันทึกอย่างเป็นหลักฐานมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่หลวงปู่ตื้อได้ออกทุดง เพื่อไปสำรวจภายในถ้ำเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เกิดจากการชักชวนของพระอาจารย์ อ, าารยอินที่ต้องการไปเสาะหาแท่นหลวงคำแดงซึ่งเป็นที่กล่าวขานของคนในแถบถิน่นั้นว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่อยู่ของชาวลับแรล่ถ้ำเชียงดาวเป็นถ้ำที่มีความยาวมากภายในสลับซับซ้อนยังไม่เคยมีใครสามารถเข้าไปตรวจดูภายในถ้าได้โดยตลอด เคยมีคนเข้าไปดูได้เพียงสองสามกิโลเมตรเท่านั้นถ้าเชียงดาวจึงยังคงเป็นสถานที่ลึกลับอยู่แม้กระทั่งปัจจุบันถึงได้เปิดให้ประชาชนเข้าชมแต่ก็ทำได้เพียงบางส่วนเท่านั้นยังมีส่วนที่เข้าไม่ถึงอีกมากมายหลวงปู่ตื้อกับพระอาจารย์อิน เ, นเข้าไปเพียงสององค์มีการจัดสเสบียงเดินทางพวกข้าวตูข้าวแห้งเตรียมใบําฉาเพื่อโปรยเวลาเข้าทําป้องกันการหลงทาง โดยเฉพาะขาออกจะได้ออกมาตามทางที่โปรยใบสําฉาไว้พระอาจารย์อินเป็นหมองูสามารถจับงูสงบสะกดงูป้องกันงูกัดแล้วก็เป่าแก้พิษงูได้อย่างชํานาญแต่ถ้าเป็นเรื่องผีสางนางไม้แล้วหลวงปู่ตื้อนี่รับมือทั้งหมดเป็นที่เรื่องลือทั่วไปว่าหลวงปู่ตื้อเนี่ยบรรดาผีสางนางไม้ในกลัวท่านเป็นที่สุดเมื่อทุกอย่างพร้อมพระอาจารย์ทั้งสองก็ออกเดินทางภายในถ้ำนั้นมืดมาก พอเข้าถ้าก็เริ่มโรยใบยฉําฉาไปทีละใบสองใบไปเรื่อยเรื่ท่านต้องระวังเรื่องงูเป็นพิเศษเพราะว่าในถ้าเนี่ยมีงูชนิดต่างๆทั้งเล็กทั้งใหญ่อาศัยอยู่เป็นจานวนมากหลวงปู่ตื้อเล่าว่าพอเข้าไปก็เจองูทันทีแสดงว่ามีงูเยอะมากที่อยู่อาศัยในถ้นะตัวใหญ่ๆขนาดต้นเสาก็มีพระอาจารย์อินบอกว่าไม่ต้องกลัวเดินข้ามไปเลยอย่าไปถูกตัวมันก็แล้วกันในระหว่างเดินทางวันหนึ่งก็ไปพบลําน้ําไหลผ่านลัดเลาะไปตามถ้า ทางที่จะเดินต่อไปก็ต้องลุยน้ำไปเมื่อพิจารณาสภาพโดยรอบแล้วเห็นว่าน้ำไม่ลึกก็พากันลุยข้ามไปอีกด้านหนึ่งเมื่อเดินต่อไปก็พบว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งถ้าไม่สังเกตและจดจาให้ดีจะหลงทางได้เพราะว่าเดินไปตั้งนานแล้วก็วนกลับมาที่เก่าในการเดินทางต้องผ่านลำน้ำถึงเจ็ดแห่งทั้งสององค์ก็เดินต่อไปจนถึงต้นโพในระหว่างนั้นใบฉํฉาฉาที่สาหรับโรยก็หมดสเสบียงก็หมด แต่ท่านก็เดินกันต่อไปอีกจนกระทั่งแน่ใจว่าไม่พบแท่นหลวงคําแดงตามที่เล่าลือกันก็พากันเดินกลับออกมาตามทางเดิมรวมเวลาเดินทางทั้งไปและกลับเจ็วันเจ็ดคืนพอดีบางครั้งก็ต้องเดินติดต่อกันไปเป็นเวลานา น, านโดยไม่รู้ว่าเป็นเวลากลางวันหรือว่ากลางคืนหลวงปู่ตื้อบอกว่าภายในถ้ำเชียงดาวนั้นมืดมากไม่เหมาะที่จะบําเพ็ญภาวนาไม่เหมือนกับถ้ำพระประเจกระพุทธเจ้าที่เคยไปสํารวจมาแล้ว ในครั้งที่หลวงปู่ตื้อท่านทุดงไปทางอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ท่านพักบำเพ็ญเพียรอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งมีอยู่คืนหนึ่งขณะที่หลวงปูก่กำลังเดินจงกรมซึ่งเป็นกิจวัตรปกติของท่านปรากฏร่างของเทวดาตนหนึ่งมาในรูปของชีบักขาวเหาะลอยมาใกล้ทางเดินจงกรมของหลวงปู่เทวดาองค์นั้นแสดงตนลอยสูงขึ้นไปแล้วก็หยุดยืนนิ่งอยู่บนยอดไม้ เนือทางเดินจงกรมขึ้นไปลอยขึ้นไปยืนนิ่งเฉยๆไม่ได้ทําอะไรหลวงปู่ก็ยังเดินจงกรมอยู่ตามปกติเทวดาก็นิ่งอยู่อย่างนั้นแหะหลวงปู่ก็กำหนดจิตถามขึ้นว่าท่านเทวดาผู้มีศีลธรรมอันดีงามทาไมท่านถึงขึ้นไปยืนอยู่บนที่สูงคืออยู่สูงมากกว่าอาตมาซึ่งเมนสิทธิ์ของพระตถาคตเจ้าผู้กําลังปฏิบททัติธรรมอยู่ล่ะทําไมท่านไม่ลงมากราบไหว้แสดงความเคารพ เทวดาตนนั้นก็ยังยืนนิ่งเฉยไม่แสดงกิริยาอาการอย่างไรหลวงปู่ก็กําหนดจิตถามอีกว่าท่านเทวดาผู้มีศีราจรวัรอันงามท่านเป็นฤาษีหรือว่าเป็นพระอาหารหันตเทพยาดาตนนั้นก็แสดงอาการกลางแขนออกทําอาการบุ้ยใบมาทางหลวงปู่หลวงปู่กาหนดจิตดูก็รู้ว่าเทพยาดาตนนี้คงจะเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้า ก็กล่าวถามต่อไปว่าท่านเทวดาผู้เจริญท่านเป็นพระประเจกับพะพุทธเจา้าหรือยังไงถ้าเป็นก็พระเจ้าขออารัธนาท่านมาสนทนาด้วยเทวดาตนนั้นไม่ตอบแต่ได้แสดงออกทางใจให้หลวงปู่รู้ได้แล้วเทวดาก็แบมือออกให้หลวงปู่ได้เห็นรูปดอกบัวที่ปรากฏอยู่ที่ฝ่ามือทั้งสองข้างเทวดาก็แสดงอาการเขินอายเล็กน้อยแล้วก็เหาะหนีไปเมื่อมีโอกาส หลวงปู่ตื้อได้กราบเรียนถามเรื่องนี้กับหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นท่านให้อธิบายว่าเทพยดาที่เห็นน่ะเป็นวิญญาณของผู้ที่กำลังสร้างสมบรมีเพื่อความเป็นปรพระปัจเจกอับพุทธเจ้าอยู่นอกจากนี้หลวงปู่มั่นยังกล่าวถึงเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับผีสางเทวดานางไม้ที่หลวงปู่ตื้อได้พบเห็นในที่ต่างๆอีกโดยหลวงปู่มั่นท่านรับรองว่าเป็นเรื่องจริงแล้วก็มีจริง สำหรับเทวดาตนที่มีรูปดอกบัวบนฝ่ามือนั้นเป็นผู้ที่กําลังสร้างบา ร, รมีอีกไม่นานก็จะได้สําเร็จเป็นพระปัจเจ ก, กพุทธเจ้าหลวงปู่มั่นบอกต่อไปว่าเรื่องอย่างเนี้ยนานๆจะได้พบสักครั้งหนึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเทวดาบางตนมีศีลธ ร, รรมอันดีงามเพราะว่าเคยประพฤติปฏิบัติธรรมมาก่อนหลายชาติแล้วเมื่อละจากร่างอันเน่าเหม็นของมนุษย์แล้วก็ยังประพฤติธรรมอยู่เพราะว่า มีสันดานที่เป็นศีลเป็นธรรมแล้วเทพยาดาตนที่มีดอกบัวบนฝวามือนี้ไม่กี่ชาติก็จะสําเร็จแน่นอนเกี่ยวกับเรื่องเทวดาวิญญาณพูดผีปีาศาจต่างๆนั้นหลวงปู่ตื้อท่านได้ประสบมามากมายหลายรูปแบบจนได้รับการกล่าวขานว่าท่านเป็นพระกรรมฐานที่ประจกุกสิ่งเร้นลับต่างๆมามากที่สุดแล้วก็สามารถเอาชนะได้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นอยู่ในพระพุทธ ถ้าคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณอุทิศตนให้กับการปฏิบัติความเพียรอย่างแท้จริงลุงปู่ตื้อเคยเดินทุดงไปแถวจังหวัดแม่ฮองสอนซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดที่อยู่ห่างไกลและเส้นทางติดต่อธุระกันด่านมากที่สุดลุงปู่เล่าให้ลูกศิษย์ฟังว่าท่านเดินทุดงด้วยเท้าจากเชียงใหม่ไปแม่ฮองสอนใช้เวลาหลายวันจึงได้ถึง เมื่อเจอสถานที่เหมาะก็บําเพ็ญภาวนาทำความเพียรไปเรื่อยๆปักหลดภาวนาหลายคืนที่นั่นอากาศดีสถานที่ก็ดีสงบเงียบไกลผู้คนภาวนาก็เรียบร้อยดีมากมีวิญญาณพวกเทวดาวิญญาณโอปาติกะทั้งหลายมาปรากฏตัวแล้วก็ทดสอบลองดีกับท่านอยู่บ่อยครั้งเหมือนกันในช่วงที่ท่านไปอยู่ที่ถ้าผาบองคืนแรกในวิญญาณมาลองดีคืนนั้นท่านกําลังนั่งสมาธิภาวนา อยู่ในมุงกรดก็เกิดมีแสงเป็นสายรุ้งสีต่างๆสว่างจ้ามาครอบมุงกรดของท่านหลวงปู่บอกว่าระยะนั้นรู้สึกว่ากำลังขอามันแผ่กลุ่มบีบเข้าไปถึงจิตใจทำให้หายใจขัดหายใจไม่ออกลมมันตันไม่หมดร่างกายธาตุขันอ่อนลงอย่างเห็นได้ชัดแต่จิตของหลวงปู่ก็แนบแน่นอยู่กับการภาวนาอย่างไม่ลดละอยู่กับพุทโธธรรมโมสังโฆ อยู่ไม่นานเท่าไร่แสงประกายสายรุง้งนั้นก็ค่อยๆ ค, คลายความสว่างจ้าลงแล้วก็หายไปสักครู่ต่อมาก็ปรากฏเป็นนิ้วมือขนาดใหญ่มากเรียกกันว่าเกือบจะเท่าลำตานเนี่ยมาครอบลงบนกรดทุดองอีกคราวนี้ท่านว่าถึงกับรู้สึกว่าหัวใจหวิวหววเกิดอาการกลัวขึ้นมาบ้างเกือบจะหยุดทําความเพียรอยู่เหมือนกันแต่แล้วท่านก็ตั้งมั่นทําความเพียรต่อตั้งใจมั่นขอยอมตายใจมั่นอยู่กับคำบริกรรมพุโทโธพุโทโธ จะตายก็ขอให้ตายด้วยศีลด้วยธรรมแล้วใจก็ค่อยสบายขึ้นหายใจคล่องนิ้วมื อ, อยกักนั่นก็หายไปอีกสักครู่ก็ปรากฏเป็นร่างคนตัวดำๆสูงใหญ่สักสิบศอกเห็นจะได้แต่งตัวยังกับพระเจ้าแผ่นดินเดินเข้ามาหยุดอยู่ใกล้ๆกรดยืนนิ่งอยู่อย่างนั้นน่ะหลวงปู่ก็ถามว่าใครอะ่ะใครอ ย, อยู่ที่นั่นไม่มีเสียงตอบนิ่งร่างนั้นยืนเฉยเดี๋ยวก็หายไปสักพักก็มาอีกแล้ว คราวนี้เปลี่ยนเป็นชีประขาวอายุไม่มากอายุสัก27 28ปียังนุมอยู่คราวนี้มาด้วยอาการสงบเส ง, เงีิมเรียบร้อยพอมาใกล้ก็คุกเข่าลงกราบด้วยความเคารพดูท่าทางเลื่อมใสหลวงปู่จริงๆพอกราบไหว้แล้วก็ลงนั่งพับเพียบเรียบร้อยหลวงปู่ก็ถามว่าท่านเป็นใครมาจากไหนเนีเ่ยผมมาหาพระอาจารย์นะครับ ใครเป็นคนทำสายรุ้งครอบมุงกรดของเราใครเป็นคนทำนิ้วมือใหญ่มาครอบมุงกรดของเราแล้วใครที่แสดงตัวเป็นพระเจ้าแปนดินเอ่อทั้งหมดนี้ผมเองครับทำเพื่อประโยชน์อะไรทำเพื่อทดสอบจิตใจของท่านเล่นเฉยๆเออการที่จะทดลองลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าให้มีความกลัวนะ่ะมันไม่มีผลหรอกเพราะว่าสมณะอย่างเราไม่กลัวอะไร จะตายก็ไม่เสียดายอะไรเพราะว่าเราได้นับถือมอบกายถวายชีวิตให้พระพุทธเจ้าแล้วรู้จักการเสียสละการทําบุญสร้างบารมีแม้จะตายก็ไม่หลงตายจะอยู่หรือตายก็เป็นประโยชน์เท่านั้นไม่เป็นผู้หลงตายไม่ว่าเทวดามนุษย์สัตว์นรกล้วนแต่รักเคารพต่อพระพุทธเจ้าเั้งนั้นล้วนแต่รักนับถือบุคคลผู้ปฏิบัติธรรมทั้งนั้นนอกจากวิญญาณที่หลงตายเท่านั้นที่จะมาหลอกกันให้ยืดยาว เสียเวลาในการสร้างบุญบารมีปรากฏว่าดวงวิญญาณที่มาก็กราบขอขมาท่านขอรับสีรรับพรจากท่าน้วยอาการเคารพนอบน้อมวิญญาณที่มาในรูปชีปะขาวหนุ่มก็เล่าเรื่องราวในอดีตของตัวถวายหลวงปู่ว่าแต่ก่อนนี่เขาเป็นพระราชาอยู่ในเมืองตองฮูระยะแรกเหมือนเฉยต่อพระธรรมคำสอนเพราะว่าโลภมากในทรัพย์สมบัติ แต่ว่าระยะหลังๆตอนบั้นปลายของชีวิตก็เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์เคยเสด็จมาโปรดและเขาก็เคยได้รับศีลรับพรจากท่านได้กราบทูลขอให้พระพุทธองค์ได้ประทับรอยพระบาทไว้เพื่อเป็นที่สักการะบูชาแก่ชาวเมืองพระองค์ก็ได้ทรงประทับรอยพระพุทธบาทไว้อยู่ห่างจากที่นั่นไม่ไกลอยู่หา่างอยู่กลางแม่น้าเป็นผนังหินกลางแม่น้า แม่น้ํานี้ลึกท่วมหลังช้างเท่านั้นไม่ลึกมากเท่าไหร่แม่น้ํานี้อยู่ใกล้เมืองประดูขาวปัจจุบันแม่น้ํานี้ก็เรียกชื่อว่าแม่น้ําปอนแล้วก็เมืองประดูขาวนี่ก็เปลี่ยนเป็นเมืองรัววิญญาณนั้นบอกย้ําอีกว่ารอยพระพุทธบาทนั้นอยู่กลางแม่น้ํานิมนต์ท่านไปดูแล้วก็นมาสการด้วยถ้าท่านนับถือพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วก็จะบอกหอนทางเดินให้แต่ท่านอย่าลืมว่าตรงปากทางเข้าไปจะถึงแม่น้ําจะมีถ้าอยู่ถ้าหนึ่ง เมื่อเข้าไปในถ้ำนั้นจะเห็นหินยาวรีมีลักษณะคล้ายงูแต่เป็นก้อนหินธรรมดามนุษย์ทั่วไปเข้าใจว่าเป็นงูเพราะว่ามีความกลัวเป็นใหญ่ให้ท่านเดินข้ามไปรู้ว่าเหยียบไปเลยก็ได้และภายใต้ก้อนหินนั้นมีหายเงินหทองคําอยู่สี่หายถ้าท่านอาจารย์จะเอาไปเพื่อเป็นการเมตตาก็ขอน้อมถวายพอพูดเพียงแค่นี้สี่ปะเขา ก็กราบลาแล้วก็หายไปหลวงปู่ตื้อก็เดินทางไปเพื่อจะดูรอยพระพุทธบาทตามที่วิญญาณอดีตพระราชาเมืองตองหูบอกไว้เมื่อคืนก่อนหลวงปู่เล่าว่าท่านใช้เวลาเดินทางตามที่วิญญาณบอกวันหนึ่งเต็มๆก็ไปถึงปากถ้ำทางเข้าไปเพื่อจะดูรอยพระพุทธบาทนั้นท่านก็เห็นก้อนหินยาวเหมือนกับรูปงูจริงๆซึ่งมันก็เป็นก้อนหินธรมธรมดาๆนั่นแหละเดินต่อไปเรื่อยๆจนถึงริมแม่นม้ํา ที่นี้เห็นหินก้อนใหญ่เหมือนภูเขาทั้งลูกตั้งอยู่กลางแม่น้ําเลยแล้วก็ได้พบรอยพระพุทธบาทตามคําบอกเล่าจริงๆรอยพระพุทธบาทนี่ยาวประมาณแปดศอกกว้างหศอกสูงสี่ศอกโดยประมาณพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นรอยพระพุทธบาทที่พระพุทธองค์ประทับไว้จริงๆหลวงปู่ก็ทําการสการะแล้วก็จากสถานที่นั้นไปขณะที่หลวงปู่ตื้อ ภาวนาอยู่ในเขตจังหวัดแม่ฮองสอนตามดอยตามป่าต่างๆท่านมักจะเจอพวกกายทิพย์แล้วก็มีเหตุการณ์ปรแปลกๆมารบกวนการบําเพ็ญภาวนาของท่านเสมอหลวงปู่ก็ใช้ความอดทนอดกลั้นเอาชนะด้วยการบําเพ็ญภาวนาไปทุกครั้งพวกวิญญาณหรือว่ากายทิพย์ทั้งหลายเหล่านี้ส่วนมากมักจะเป็นพวกที่อยู่ฝ้ามสมบัติมีค่าต่างๆเมื่อได้ทดสอบความมั่นคงทางจิตใจของหลวงปู่แล้ววิญญาณเหล่านี้ก็จะบอกถวายสมบัติที่พวกเขารักษาอาไว้ให้ แต่หลวงปู่ก็ไม่เคยสนใจคงมุ่งหน้าแต่การปฏิบัติทำกรรมฐานเพียงอย่างเดียวหลวงปู่ท่านแนะว่าในเรื่องของพูดผีปีศาจก็ตามถ้าหากว่าใครกลัวผีนี่ก็ให้ไปอยู่ภาวนาในปา่าช้าจิตจะได้ตื่นกลัวแล้วจะได้ตั้งใจภาวนาตลอดคืนจ น, จนจิตเกิดสมาธิแล้วก็สงบลงที่นี่มันจะหายกลัวได้เพราะอนุภาพของพุโทโธและจิตที่เป็นสมาธิในพวกพูดผีต่างจะไม่สามารถทาอันตรายแก่เราได้ และเมื่อเราแผ่เมตตาให้เนี่ยพวกนี้ก็ยินดีน้อมรับในส่วนบุญก็กลายเป็นมิตรกับเราไปด้วยเรื่องราวต่างๆนี่หลวงปู่ตื้อได้เมตตาเล่าให้พระเนรฟังเป็นเหตุการณ์เมื่อครั้งท่านจำมันษาอยู่ที่พระบาทบัวบกจังหวัดอุดรธานีก่อนที่จะเดินทางมาบำเพ็ญเพียรที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อหลวงปู่ตื้ออยู่ที่พระพุทธบาทบัวบก มีอยู่คืนหนึ่งขณะที่หลวงปูก่กำลังเดินจงกรมอยู่ปรากฏมิตรงูใหญ่ตัวหนึ่งเลื้อยออกมาหยุดข้างทางเดินจงกรมของท่านพอหลวงปู่เดินเข้ามาใกล้งูตัวนั้นก็ชูคอจ้องดูท่านเดินจงกรมเดินไปเดินมามันก็จ้องอยู่อย่างนั้น่ะหลวงปู่ท่านก็เดินอย่างปกติไม่ได้ให้ความสนใจมันจะงูใหญ่ก็ยังจ้องท่านอยู่อย่างไม่ลดละคล้ายๆจะนึกสงสยัยพระกำลังทำอะไรเดินไปเดินมาอยู่ได้ไม่หันมามองดูเราเลย เราอุตส่าห์มาเยี่ยมถึงที่ท่านน่าจะต้อนรับผู้ยาปราศัยอะไรกับเรามั้งเมื่อเจ้างูใหญ่เห็นหลวงปู่ไม่สนใจก็เลื้อยเข้ามาติดทางจงกรมแล้วก็ขดตัวซ้อนกันเป็นวงชูคอจ้องมองมาทางหลวงปู่หลวงปู่ก็ยังเดินตามปกติไม่แสดงท่าว่าสนใจมันแต่ความจริงแนละ้วท่านก็แอบสังเกตอยู่ในใจว่าไอ้ตัวนิ่มจะเอาอยัางไงกับมันเจ้างูใหญ่ในเห็นหลวงปู่ไม่สนใจไม่กลัวมันด้วย มันเฝ้าดูอยู่ไม่นานก็คลายขนดแล้วก็เลื้อยหายเข้าป่าพ้นจากทางเดินจงกรมของท่านไปแล้วก็ในการเดินจงกรมอีกคราวหนึ่งที่พระพุทธบาทบัวบกเหมือนกันหลังจากงูใหญ่เลื้อยหายเข้าป่าไปแล้วก็ปรากฏเป็นคนร่างสูงใหญ่สูงสักสิบว่าได้มายืนกลางขาที่ปลายทางจงกรมคล้ายๆจากคร่อมทางเดินไว้แสดงท่าทางว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในทิศนั้นหลวงปู่ท่านก็ ไม่สนใจอีกแล้วแต่ว่ารู้สึกว่าขนพองสย อ, ยองกล้าวขึ้นบางเล็กน้อยตอนนั้นเริ่มได้กลิ่นกลิ่นสาบสางเหม็นแล้วก็มากขึ้นทุกทีทุกทีจนรู้สึกว่าจะทนไม่ไหวหลวงปู่กาหนดจิตแผ่เมตตาให้มันก็ไม่ได้ผลออกปากไล่ให้มันหนีไปไมันก็เฉยแถมยังปล่อยกลิ่นสาบสางนั่นเหมือนเดิมท่านพยายามเดินจงกรมไปมากําหนดจิตไล่มันอยู่นานพอสมควรก็ไม่ได้ผลท่านก็ยังยึก ยึดพุดโทโธอยู่ในอารมณ์ตลอดตอนนี้จิตใจท่านไม่หวั่นไหวหรือเกรงกลัวมันเลยแล้วหลวงปู่ก็หยุดเดินแล้วพูดขึ้นบอกว่าเดี๋ยวมึงรอยอยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวรู้เรื่องหลวงปู่เดินก็ไปบนเพิงที่พักจุดเทียนไขอเอาเทียนไปติดที่ปลายไม้เท้าแล้วก็เดินกลับมาที่ทางเดินจงกรมเสร็จแล้วก็บอกมึงหนีไปนะถ้าไมหนีมจะเอาไฟทิ่มตูดมึงเดี๋ยนี้ ผีเปรตตัวนั้นยังนิ่งเฉยส่งเสียง ห, หัวเราะเยาะท่านหลวงปู่ก็เดินเข้าไปใกล้กับพุ่งเทียนเข้าใส่มันจริงๆได้ผลในผีเปรตตัวนี้นก็โจนหายไปเลยอ่าแล้วก็ไปปรากฏที่ต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ห่างออกไปแต่ว่ากลิ่นเหม็นกลับมากขึ้นกว่าเดิมจึงกระทั่งหลวงปู่ไม่สามารถจะค่มใจเดินจงกรมต่อไปได้หลวงปู่ก็ใช้ไฟเทียนไล่มันต่อไปอีกมันถึงได้หนีไปดูท่าทางว่ามันจะหายไปแล้ว หลวงปู่ก็เข้าทางเดินจงกรมต่อไปพอได้เวลาพอสมควรท่านก็หยุดพักจากการเดินจงกรมแล้วก็นั่งสมาธิภาวนาต่อไปหลวงปู่มาหลับตานั่งสมาธิได้สักครึ่งชั่วโมงท่านก็รู้สึกมีใครบางคนมาเป่าลมที่หูขวาท่านท่านก็สะดุ้งเล็กน้อย เสร็จแล้วมันก็มากลับมาเป่าทางหูซ้ายท่านก็พยายามข่มใจนั่งสมาธิต่อแผ่เมตตาให้ก็ไม่ได้ผลมันยังคงรบกวนอยู่อย่างนั้นเนี่ยหลวงปู่ก็ลืมตาขึ้นก็เอ่ยปากขับไล่มันมันก็หัวเราะชอบใจเสร็จแล้วมันก็หนีไปท่านก็นั่งสมาธิต่อพักเดียว ก, กลับมาอีกแล้วมาแกล้งเป่าลมเข้าหูท่านซ้ายมั่งขวามั่งล้อเล่นอยู่อย่างนั้นเน่ยพอเอ่ยปากไล่มันก็หนี นีไม่นานก็กลับมาอีกก็ทําอยู่อย่างเนี้ยหลวงปู่ก็คิดเดี๋ยวจะเอาน้ําสาดมาสักทีท่านก็ลุกจะไปหยิบขันตักน้ําปรากฏว่าขันไม่มีท่านวางเอาไว้ตรงนั้นปรากฏว่าผีเอาไปซ่อนมันหัวเราะเยาะใหญ่อ่าหลวงปู่หาขันไม่เจอหลวงปู่ก็คิดจะเอาไม้ขีดมาเผาหัวมันแต่ก็หากรากไม้ขีดไม่เจอเหมือนกันมันเอาไปซ่อนอีกมันเล่นตลกอะท่านอา ท่านคิดจะทำอะไรรู้สึกว่ามันจะรู้ทันไปหมดเจ้าผีเปรตเนี่ยยิงหัวเราะได้ใจใหญ่หลวงปู่หมดหนทางจะจัดการกับเจ้าผีเปรตตัวนี้ท่านก็เลยดึงมุ้งกรดลงกลางแล้วก็นั่งภาวนาในมุ้งกรดโดยไม่ยอมนอนเลยตลอดคืนทำสมาธิไปจนได้อารุณวันใหม่เจ้าผีเปรตตัวนั้นก็หนีขึ้นไปบนเขาแล้วก็ส่งเสียงร้องบอกท่านว่าเรายอมแพ้ท่านแล้วว่าอย่างนั้น ถึงตอนเช้าหลวงปู่ตื้อก็เดินไปหาหมู่คณะที่อยู่ห่างออกไปซึ่งมีหลวงปู่มั่นพระอาจารย์ใหญ่เป็นประธานพอเข้าไปถึงหลวงปู่มั่นท่านก็กล่าวทักทายว่าท่านตื้อมาคืนนี้ทำอะไรอยู่ผมรบกับผีทั้งคืนนะครับทำยังไงเจ้าผีตัวนี้ก็ไม่หนีจนเช้าได้อารุณสว่างไอ้ผีตัวนั้นก็ขึ้นเขาไปเออ ดีแล้วท่านตื่อผีมันปลุกให้เราภาวานาไง ấy, จะได้ไม่หลับจากนั้นหลวงปู่มั่นหลวงปู่ตื้อและพระเนรทุกองค์ก็แยกย้ายกันออกเที่ยวบินธบาตตามสมณ ก, กิจพอฉันปัตถ า, ารเสร็จแล้วต่างองค์ก็แยกย้ายไปบําเพ็ญเพียรอย่างสถานที่ของตนหลวงปู่ตื่อเล่าให้ลูกศิษย์ฟังภายหลังว่าผีตนนั้นเป็นผีเจ้าที่ที่ยิ่งใหญ่จริงๆถึงเอาชนะมันไม่ได้ ก็คือได้ก็ในลักษณะที่มันยอมแพ้ไปเองนถ้าเอาชนะมันไม่ได้ก็คงจะลำบากต่อจากนั้นเจ้าผีก็ไม่ปรากฏได้เห็นอีกเลยถ้าหากว่าแพ้มันจริงๆคงจะมารบพวนทุกคืนเหตุการณ์แบบนี้ต้องอาศัยความอดทนอดกลั้นเป็นที่สุดจะท้อถอยไม่ได้เลยหายใจเข้าออกก็ต้องมีพุโทโธเป็นประจำขาดไม่ได้ คำว่าพุทโธนี่ยงอ่ะผีกลัวมากที่สุดท่านว่ายอย่างนั้นสมัยที่ท่านท่องทุดงอยู่ทางฝั่งประเทศลาวมีช่วงหนึ่งพักปักหลอดอยู่ที่หมู่บ้านผูดินเพียงคืนแรกที่หลวงปู่ไปถึงก็ได้ยินเสียงเสือใหญ่ลายพาดกรอนมาร้องอยู่ใกล้ๆบริเวณที่ท่านปักหลดแล้วก็ทราบจากชาวบ้านว่าเสือตัวนั้นเพิ่งจะฆ่าคนตายมาไม่นานจัดเป็นเสือที่รุร้ายที่ชาวบ้านหวาดกลัว ในคืนนั้นทั้งชาวบ้านรวมทั้งอัวควายต่างพานนกันโหนกกลัวต่างเฝ้าอคอยระวังตลอดคืนไม่กล้าหลับกล้านอนชาวบ้านมาบอกให้หลวงปู่ระมัดระวังตัวเพราะว่ากลัวเสือจะมาทําร้ายท่านเพราะว่าท่านปักหลดอยู่องค์เดียวห่างไกลหมู่บ้านคนซะด้วยหลวงปู่ไม่ได้แสดงอาการวิตกกังวลให้เห็นท่านพูดกับโยมบอกว่าอาจารย์เสือนะ่ะมาช่วยสอนกรรมาฐานให้ หลวงปู่ท่านบอกว่าท่านเองก็ไม่ประมาทคอยระมัดระวังอยู่แล้วแต่จะไปแสดงอาการกลัวหรือว่ากังวลมากก็ไม่ได้ท่านต้องหนักแน่นเพราะว่าต้องเป็นที่พึ่งทางใจให้ชาวบ้านได้ถ้าพระกลัวซะแล้วชาวบ้านจะเหลือเลยเสียงเสือร้องรอบๆ บ, บ, บริเวณที่ท่านปักหลดตั้งแต่หัวค่าหลวงปู่นั่งสมาธิภาวนาอยู่ข้างในตลอดไม่ได้นึกวันไหวอะไรพอตกดึกเสียงเสือก็เงียบหายไปไม่มีอะไรเกิดขึ้น จิตท่านก็สงบแนบแน่นอยู่ในสมาธิไปจนกระทั่งถึงเวลาไก่ขันยามต้นคงประมาณตีสามตีสี่เกือบจะสว่างแล้วคืนนั้นมีวิญญาณของพระเข้าหาหลวงปู่ในสมาธิก็บอกว่าชื่ออาจารย์คำบอมาบอกท่านว่าท่านหลวงทหารและหลวงชาเนี่ยเอาของมาฝากไว้ที่ใตต้นคอ เมื่อครั้งสมัยเมืองเวียงจันทร์แตกพระอาจารย์จะเอาไปก็ได้แต่ก่อนจะเอาไปให้ส่วนมงคลสูตรเสซะก่อนแล้วก็ไม่ต้องมีเครื่องบูชาอะไรหรอกว่าอย่างนั้นวิญญาณพระอาจารย์คําบอกก็บอกสถานที่ทซ่อนทรัพย์ให้แล้วก็แนะนําบอกว่าเมื่อท่านเดินไปจากที่นี่ถึงต้นคอแล้วเนี่ยให้ยกเอาหินที่วางซ้อนกันสามก้อนออกแล้วก็ขุดลึกลงไปประมาณสามซอกก็จะเจอในนั้นนมีพระเงินพระทองคําหลายองค์เพราะว่า ในขณะนั้นท่านหลวงทหารและหลวงซาได้ได้นำมาฝากไว้แล้วก็ไม่รู้ว่าท่านทั้งสองหายไปไหนแล้วก็ตัวพระอาจารย์คำบ่อเองก็จะไปที่อื่นแล้วต่อจากนี้จะไม่มีคนเฝ้ารักษาแล้วหลวงปู่ตือ้อท่าก็รับทราบเฉยๆไม่ได้โต้ตอบแต่อย่างใดค ร, รูหนึ่งวิญญาณของพระอาจารย์คําบ่อท่านก็หายไปอีกครั้งหนึ่งหลวงปู่ตื้อบาเพ็ญเพียรอยู่ที่บ้านภูดินคือหนึ่งปรากฏในนิมิต เป็นผู้ชายสูงใหญ่ตัวดํามากท่านบอกดํายิ่งกว่าถ่านไฟซะอีกมาปรากฏอยู่ข้างหน้าท่านแล้วก็พูดว่ายังไงก็ฟังไม่ชัดลุงปู่ก็เลยถามกลับไปว่าเจ้าเป็นชาติอะไรเห็นพูดอะไรแปลงแปลงมาฟังไม่รู้เรื่องเขาก็ตอบสั้นๆบอกว่าเป็นเผา่ากุยก่อมองโกเล่ลุงปู่ก็ไม่รู้เรื่องก็ถามไปอีกว่าเป็นเทวดาเหรอ เขาก็ตอบย้ำคำเดิมมาฟังไม่ได้ความมเป็นชาติอะไรกันแน่เป็นคนเป็นเทวดาเป็นผีไม่รู้เรื่องผู้จ่าก็ไม่รู้เรื่องหลวงปู่ก็เลยบอกให้นั่งลงแล้วก็กราบพระเสยไอ้ผีนั่นยิ้มใหญ่ไม่ยอมไหว้พระหลวงปู่ก็บอกถ้าไม่ไหว้พระมึงก็ไปเสอะไปอย่าอยู่เลยก็เขาทำท่าจะนั่งลงแต่ไม่นั่งแสดงอาการย่อตัวเล็กน้อยแล้วก็หลีกหนีไปคืนหนึ่งมีเทพองค์หนึ่งมีชื่อว่า ทีคาวุโสประกาศตัวเองว่าชาติก่อนเป็นเจ้านครเวียงจันทร์เข้ามาหาท่านท่านทีคาวุโสเนี่พูดกับหลวงปู่ตื้อบอกว่าเจ้าหัวลูกมาจากไหนเจ้าปู่เฝ้าดูเห็นว่าท่านเคร่งครัดในการปฏิบัติธรรมหน้าเรื่อมใสสมัยนครเวียงจันทร์ครั้งก่อนเนี่ยชาวเมืองเขาตั้งใจบำเพ็ญกุศลกันดีมากชาวเมืองก็ใส่บาตรทุกวันด้วย เจ้าปู่เห็นท่านไปบินธาบาตแล้วไม่ค่อยมีคนใส่บาตรเลยแต่ก็ดีนะว่าท่านมีความอดทนน่ายกย่องสารเสวนท่านมากที่ไม่ทอ้อถอยในการบําเพ็ญเพียรไม่เห็นแก่ได้เพราะว่ารู้บางวันจะหัวลูกนี่ไม่ได้อาหารบินธาบาตเลยน่านับถือในความอดทนในความตั้งใจของเจ้าจริงๆต่อจากนั้นท่านเจ้าปู่ทีฆาวุโสก็อำลาบอกว่า วันนี้เป็นวันที่เจ้าปู่จะไปจากที่นี่แล้วพูดเพียงแค่นั้นเจ้าปู่เทพองค์นั้นก็หายวับไปหลวงปู่ตื้อมาพำนักที่พระพุทธบาทบัวบกอุดรธานีเป็นครั้งที่สองตอนที่หลวงปูก่กำลังเดินจงกรมเกิดมีก้อนหินตกลงมาจากที่สูงหลายสิบก้อนแต่ว่าตกห่างจากที่เดินจงกรมหลวงปู่ไม่ได้ให้ความสนใจก็ยังคงเดินต่อไปไม่นานก็มีก้อนหินตกลงมาอีก คราวนี้ใครๆก็ถูกปลาลงมาใกล้ทางเดินจงกรมมากกว่าเดิมหลวงปู่ก็พูดดังๆใครเก่งก็ออกมาสู้กันเลยนะออกมากันต่อหน้าเนี่ยอย่ามาเที่ยวแอบเวียงแอบปาลาอะไรอย่างนี้ไม่ดีอ่ะแน่จริงออกมาเลยดีกว่าคราวนี้ได้ยินเสียงก้อนหินตกรอบตัวเป็นชุดเลยหลายสิบก้อนหลวงปู่หยุดเลย หยุดเดินจงกรมแล้วเข้ามุ้งกรดนั่งสมาธิภาวนาต่อเสียงก้อนหินก็ยังตกลงมาเรื่อยเรืยไม่รู้ใครเป็นคนกว้างออกมาคืนนั้นมีญาติโยมชาวบ้านมารักษาศีลอุโบสถ ด, ด้วยกันห้าคนหลวงปู่ก็บอกให้พระอีกองค์หนึ่งที่ไปด้วยกันมาภาวนาอยู่ใกล้ๆโยมเสียงก้อนหินก็ยังตกมารอบบริเวณนั้น่ตกมาเป็นระยะระยะมองออกไปรอบบริเวณก็เห็นเป็นก้อนหินจริงๆถ้าโดนหัวใครก็ต้องแตกแน่ๆสักพัก มีเสียงดังคล้ายๆมีคนออกแรงผลักก้อนหินขนาดใหญ่กลิ้งลงมาจากยอดเขาเสียงนั้นอยู่ห่างจากที่พระกระยมพักอยู่พอสมควรหลวงปู่ก็กำหนดจิต ด, ดูเห็นผู้ชายร่างใหญ่เนี่ยผลักก้อนหินลงมาจากยอดเขาจริงๆไอ้ดาไอ้ดาปี่เนี่ยจะด้วยจุดประสองค์อะไรเนี่ยท่านก็ไม่รู้ในมุงกลดของพระอาจารย์ที่อยู่เป็นเพื่อนโยมยก็จุดเทียนขึ้นสว่างเนี่ยท่านก็คอยเฝ้าสังเกตการอยู่ตลอดทั้งคืน ทั้งหลวงปู่ทั้งโยมที่มารักษาศีลไม่ได้หลับได้นอนกันเลยหลวงปู่ท่านบอกภายหลังว่าเพราะนึกถึงคําพูดของท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่นที่ว่าผีมันปลุกให้ภาวนาอ่าทีนี้มีกําลังแข็งแรงทั้งกายทั้งจิตทีเดียวพอสว่างหลวงปู่ก็เตรียมตัวออกไปบินธบัติวันนั้นไปบินธบัติที่บ้านติว้วอําเภอบ้านผือพอฉันอาหารเสร็จพระอาจารย์ที่เป็นเพื่อนอยู่ในคืนนั้นก็เก็บบริขารเตรียมตัวจะย้ายไปอยู่ที่อื่น หลวงปู่ตื้อก็ถามพระองค์นั้นว่าท่านจะไปที่ไหนพระอาจารย์องค์นั้นก็บอกผมอยู่ไม่ได้หรอกตลอดคืนมีแต่ก้อนหินตกลงมาเนนั่งภาวนาอะไรก็ไม่สะดวกไม่เอาผมไม่อยู่แล้วไปดีกว่าหลวงปู่ตื้อท่ก็บอกว่าเมื่อสมัยพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเรื่องเวสันดรชาดกพอพระองค์กล่าวคาถาขึ้นเท่านั้นก็มีฝนเงินฝนทองตกลงมาเป็นพุทธบูชาและเมื่อมีการแสดงธรรมเวสันดรทุกวันนี้นะ พอพระท่านกล่าวคาถาพันเนี่ยพุทธศาสนิกชนทั้งหลายก็โปรยข้าวตอกดอกไม้เป็นเครื่องบูชาเหมือนกันเมื่อคือนนี้ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าภาวนาพุทโธนะเทวดาเขาก็อนุโมตนาโปรยดอกไม้ทิพเป็นเครื่องสักการะบูชาดอกไม้ทิพอะไรกันอาจารย์มีแตรกรหินนท่นัน น, นะให้เรื่องข้าวตอกดอกไม้นะี่นเป็นสิ่งที่เห็นด้วยตาแล้วก็รู้สาเหตุที่มาด้วยแต่นี่ไม่เห็นอะไรเลย ใครก็ไม่รู้เป็นคนเกลี้ยงทุกคนอยู่ที่นั่นก็พากันหัวเราะขบขันแล้วก็ต่างก็แยกย้ายไปสู่ที่พักบาเพ็ญเพียรของตัวส่วนพระอาจารย์องค์นั้นกราบลาย้ายไปที่อื่นกลัวผีดำหลวงปู่ตื้อยังพักอยู่ที่เก่าตั้งใจว่าจะอยู่ที่นี่ไปก่อนหลวงปู่บอกว่าเพิ่งจะมาถึงคืนแรกเท่านั้นน ะ, ะมั น, นต้อนรับน้องใหม่ แม่แค่คืนแรกก็จะท้อถอยกลัวมันแล้วผีมันก็หัวเราะเยาะตายว่าเรากลัวมันแล้วก็เมื่อคืนนี้เราก็ไม่ได้เจ็บตัวเจ็บอะไรจากการกระทาของมันเนี่ยเพียงแต่มันรบกวนเราให้ได้รับความํำคาญเท่านั้นเองถ้าหากว่าเราไปอยู่ที่อื่นไปเจอเจ้าที่ที่อื่นอีกก็ต้องถูกลองดีเรื่อยไปอ่ะไม่ได้อ่ะแบบนี้มันต้องทาความเข้าใจกันพี่เป็นที่ที่ไปหลวงปู่ตื้อไ ม, ม่ยาย พักบำเพ็ญภาวนาอยู่ตรงนั้นนะต่อคืนต่อมาสักสามทุ่มเสร็จหลวงปู่ตื้อกาลังนั่งภาวนาอยู่ในกรดทุดงได้ยินคล้ายๆเสียงฝีเท้ามาเดินไปเดินมารอบๆ บ, บริเวณที่ท่านนั่งอยู่กุกักกุกับเสียงม้าเดินดังที่ก้อนหินเป็นยังวะหนักเข้าหนักเข้าเดินเข้ามาหามุ้งกรดของท่านเสียงมันใกล้ชิดมุ้งเข้ามาทุกทีหลวงปู่ก็เลิกกรด เ, เลิกมุ้งกรดขึ้นดู เห็นม้าสีขาวตัวใหญ่เดินเลี่ยงห่างออกไปท่านก็เอามุ้งกรดลงแล้วก็นั่งภาวนาต่อไปเสียงม้าก็ยังรบกวนแบบเดิมอยู่อีกหลวงปู่ก็เลยออกจากมุ้งแล้วมาเดินจงกรมแทนอีกไม่นานก็ได้ยินเสียงม้าเดินอีกแต่ว่าอยู่ห่างออกไปเสียงเดินดังอยู่รอบๆบห่างๆคงไม่กล้าเข้ามาใกล้ท่านท่านเดินจงกระทั่งเสียงฝีทามานั้นเงียบหายไป อีกครู่เดียวปรากฏว่าที่ทางเดินจงกรมของท่านมีงูเลืออ้อยยัวเหี้ยอยู่หลายสิบตัวจนหลวงปู่เดินจงกรมไม่ได้พิจารณาดูงูเหล่านั้นล้วนมีสีดำสนิทถ้าหากว่าท่านเดินไปก็จะต้องเหยียบพวกมันแน่นอนหลวงปู่ก็เลยหยุดเดินยืนดูเฉยๆบนทางจงกรมนั้นนะหลับตาเพ่งดูพวกงูเหล่านั้นว่าจะพบอะไรบ้างก็ปรากฏว่ามีงูมามากขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าพวกมันไม่ได้เลื้อยมาใกล้ท่าน อยู่ห่างท่านในช่วงประมาณสักว่าเสร็จเสรหลวงปู่ตั้งใจว่าจะต้องยืนอยู่ที่นั่นจนกว่าบรรดา ง, งูจะหนีไปหมดท่านไม่ได้ให้ความสนใจกับพวกมันว่าจะมีมากมีน้อยแค่ไหนยืนกําหนดจิตภาวนาอยู่อย่างนั้นปรากฏว่ามีผู้ชายคนนึงปรากฏตัวขึ้นมาบอกหลวงปู่ว่าขอให้ท่านเดินจงกรมต่อไปเถอะผมจะจับงูเหล่านี้ไปให้หมดจะเอาไปให้เป็นอาหารพยาครุด ผู้ชายคนนั้นเก็บองูทั้งหมดใส่ลงในถุงใบใหญ่เกือบเต็มถุงแล้วก็เดินหายไปหลวงปู่มองดูที่เดินจงกรมก็ไม่เห็นมีงูเหลืออยู่แม้แต่ตัวเดียวท่านก็ออกเดินจงกรมต่อก็ตั้งใจว่าคืนนี้จะไม่นั่งไม่นอนจะเดินและยืนภาวานาอยู่ในที่เดินจงกรมเนี่ยจนสว่างหลังจากมาดางูรายทั้งหมดหมด ไปจากทางเดินจงกรมแล้วหลวงปู่เดินไปสักครู่ก็ได้ยินเสียงคนพูดคุยกันประมาณว่ามีสักสี่ห้าคนหลวงปู่ก็ไม่ได้สนใจว่าเขาพูดอะไรกันเพียงแต่สักแต่ว่าได้ยินเท่านั้นท่านก็ยังเดินจงกรมต่อสักครู่เดียวก็เห็นคนเดินถือคบไฟลงมาจากก้อนหินใหญ่ด้านหน้าแล้วก็เลี้ยวขึ้นไปทางหลังเขามีคนเดินตามหลังไปจํานวนหนึ่งท่านก็คิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มคนที่คุยกันเมื่อสักครู่เนี้คนเหล่านั้นก็เดินหายไป หลวงปู่เดินจงกรมต่อไปจนได้อรุณวันใหม่ก็เตรียมตัวไปบินทบาทเสียก็กลับมาฉันที่โรงฉันตามปกติร่วมกับพระองค์อื่นๆชาวบ้านก็เล่าให้พระอาจารย์ที่เป็นประธานที่นั่นฟังบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยวิญญาณเจ้าปู่ไปสิงชาวบ้านพูดชัดถ้อยชัดคำว่ามีเจ้าหัวธรรมนี่มารบกวนที่อยู่ลูกหลานทั้งหลายเขาเดือดร้อนมากไม่ได้หลับได้นอนตลอดคืน ต้องการให้เจ้าหัวธรรมนหนีไปซะจากที่นี่ทาไม่หนีนะจะทําให้มีฝนมีฟ้าผ่าลงมาให้ได้รับความเดือดร้อนกันทุกคนวิญญาณเจ้าปู่บอกอีกว่าเจ้าหัวธรรมชุดเนี่ยเราพยายามขับไล่อย่างไงก็ไม่หนีถ้าเขาไม่หนีก็จะต้องทําให้ฝนตกเนียจนอยู่ไม่ได้พระอาจารย์ซึ่งเป็นหัวหน้าก็เลยพูดกันว่าถ้าฝนตกแล้วก็มีฟ้าผ่าลงมาจริงเนี่ยอาตมาจะยอมกินขวานเจ้าปู่เลย แล้วท่านก็พูดตอบว่าผีมันโกหกเฉยๆพูดไม่จริงหรอกไม่มีอะไรจะจริงเหมือนพระพุทธเจ้าเลยในโลกนี้เมื่อพระอาจารย์พูดหนักแน่นอย่างนี้ชาวบ้านก็นิมนต์ให้พระสงฆ์พำนักอยู่ที่นั่นต่อไปอีกเพื่อพิสูจน์ความจริงพระสงฆ์เหล่านั้นก็พักปฏิบัติธรรมอยู่ที่นั่นอีกหลายราตรีก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นตามคำขู่ของวิญญาณเจ้าปู่ชาวบ้านเหล่านั้นก็เลยหันมานับถือพระรัตนตรยัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกเลิกการนับถือผีแล้วก็พากันสร้างเ ส, างสนาสนะ ให้เป็นที่พักสงเป็นการถาวรต่อไปหลวงปู่ตื้อท่านพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดเกี่ยวกับการเผชิญพูดผีวิญญาณที่ผ่านมาว่าถ้าหากวิญญาณเหล่านั้นได้รู้ความเป็นจริงแล้วก็จะไม่หลงวนเวียนอย่างนั้นกิเลสทิฏฐิมานะเนี่ยร้ายมากมันสามารถดึงเอาคนตกเป็นทาสของมันให้วนเวียนอยู่ในวัฏฏสงสารทั้งที่มีชีวิตอยู่แล้วก็ตายไปแล้ว ในโลกนี้คนที่ตกเป็นทาสของมันมีมากเพราะว่าขาดจากการเข้าถึงพระรัตนตรัยอย่างแท้จริงการนับถือผีสางอันเป็นจำพวกวิญญาณที่หลงทางเดินเมื่อตายแล้วเนี่ยเป็นการเชื่อแบบขอความอ้อนวอนเป็นการเชื่อที่ไม่แน่นอนพระพุทธเจ้าทรงแนะนำไม่ให้พุทธศาสนิกชนหลงเชื่อในเรื่องอย่างนี้พระองค์สอนให้เชื่อเรื่องกรรมเชื่อการกระทาของตัวเองดีกว่า ลูกศิษย์ลูกหาใกล้ชิดยืนยันว่าหลวงปู่ตื้อท่านสอนศิษย์และประชาชนทั่วไปในทํานองนี้มาโดยตลอดพระบูรช c ติพรหมจาโรโสรสิทธิ์ผู้บันทึกเรื่องราวของหลวงปู่ตื้อบันทึกเอาไ ว, ว้ว่าตอนหนึ่งหลวงปู่ตื้อเล่าว่าเรื่องวิญญาณต่างๆในโลกนี้มีหลายจำพวกเหลือเกินบางพวกเป็นวิญญาณที่มีความเป็นอยู่ดีมากมีศีลธรรมแต่ว่าชาวบ้านเนี่ย เรียกรวมไปหมดว่าผีความจริงผีหรือวิญญาณต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมเลยเพราะว่าในโลกนี้มีทั้งสิ่งน่ารักน่าชังทั้งหัวเราะทั้งร้องไห้ครอกท่วนอยู่แล้วเหตุการณ์ทั้งสี่อย่างนี้มีครบอยู่ในโลกแล้วก็มีพร้อมๆกันนะเวลาเออมันมันน่าแปลกที่ว่าคนเราเวลาตายมีแต่คนเกิดอารมณ์ร้องไห้ เศร้าโศกเสียใจมองไปทางไหนก็เศร้ามองเศร้าใจแต่เวลาเกิดกลับหัวเราะชอบใจดีใจนะคนที่หัวเราะก็หลงคนที่ร้องไห้ก็หลงหลงในฐานะที่ไม่รู้อะไรเป็นเหตุเป็นผลความจริงแล้วตายหรือเกิดมันก็อันเดียวกันนั่นเองเป็นแต่ว่าเขาเปลี่ยนกันทาหน้าที่เท่านั้นเองลวงปูตื้อได้เล่าเรื่องราวที่ท่านพบเห็นเมื่อครั้งไปทุดงที่ฝั่งประเทศลาวให้ลูกศิษย์ฟัง ว่าในช่วงที่ท่านไปพักจำมันสาอยู่ที่วัดวัดประทาตแตงโมเมืองหลวงพระบางท่านบอกว่านอกกำแพงวัดออกไปไม่เกินสิบวาตรงนั้นมีเรื่องแปลกๆเสมอพวกชาวบ้านชอบปราบเรียนถามหลวงปู่เสมอว่าท่านสาธุภาวนาอยู่ที่วัดนี้เป็นยังไงหลวงปู่นี่ไม่ได้สนใจคําถามที่ทว่าเนี่ยเมื่อถูกโยมถามบ่อยๆท่านก็ย้อนถามกลับไปว่าอ้าวแล้วที่ตรงนั้นมีอะไรละ่ะ ้าบ้านก็บอกท่านว่ามีผีเจ้าที่อยู่ตรงนั้นแต่ว่าเดี๋ยวนี้จะยังอยู่หรือว่าไม่อยู่ก็ไม่รู้น้องปูตื้อได้เรียนถามท่านพระครูสาธุสิงห์ซึ่งเป็นสมภารวัดนั้นเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นมาท่านก็เล่าว่าข้าเจ้ามาเป็นสมภารอยู่วัดนี้สาสิปีแล้วทราบว่าผีพวกนั้นเป็นวิญญาณเฝ้ารักษาเมือง โดยมากเป็นทหารเฝ้ารักษาประตูวังแทบท่าแตงโมวิญญาณพวกนี้ไม่ยอมไหว้พระเลยเรื่องนี้เป็นที่รู้กันทั่วไปของหมู่ชาวเมืองหลวงพระบางชาวบ้านก็เล่าให้ฟังว่าตรงที่ป่านโน้นไม่มีบ้านคนเลยมีทานน้ำไหลลงมาจากภูเขาไม่ขาดสายทั้งหน้าแล้งหน้าฝนพอค่ำลงก็จะได้ยินเสียงคนพูดกัน มีทั้งผู้ชายผู้หญิงหลายสิบเสียงได้ยินเสียงตักน้ำได้ยินเสียงกระบอกไม้ไผ่ใส่น้ำก ร, กระทบกันชาวบ้านก็พยายามแอบดูหลายครั้งก็ไม่เห็นผีดสังเกตอะไรได้ยินแต่เสียงตอนกลางวันนีเงียบสงัดไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยห่างจากที่ตรงนั้นออกไปมีภูเขาลูกหนึ่งชาวบ้านเล่าว่าเคยเห็นคนรูปร่างสูงใหญ่อยู่ในถ้ำในภูเขาลูกนั้น 7วันจะปรากฏตัวให้เห็นทีหนึ่งมีสมภารวัดหลายองค์พยายามจะเข้ามาในธรรมนั้นแต่ว่าเข้าไปไม่ตลอดเพราะว่าข้างในมืดและอากาศเย็นมากเมื่อเดินลึกเข้าไปจะรู้สึกแสบหูปวดหูพยายามเข้าไปยังไงก็ไม่สำเร็จหลังจากนั้นมาได้เจ็ดปปีมีพระหนุ่มรูปหนึ่งเดินธุดง์มาจากเมืองไทยเคร่งครัดระเบียบวินยัยพระกรรมฐานมาก ท่านเป็นที่เคารพนับถือและเลื่อมใสของชาวเมืองหลวงพระบางมากพระองค์นั้นก็พยายามจะเข้าไปในธรรมและสามารถเข้าไปได้โดยตลอดเดินเข้าไปนานถึงเจ็ดวันถึงได้ออกมามีเรื่องเล่าว่าท่านเดินเข้าไปเรื่อยๆก็ไม่ปรากฏว่าเห็นมีอะไรโดยอืมผิดปกติก็เดินเข้าไปจนถึงที่สุดพอมองขึ้นไปข้างบนก็เห็นเป็นทางขึ้นไปมีรอยขึ้นลงใหม่ๆบนก้อนหินท่านก็ขึ้นไปตามทางนั้นก็ไม่เจออะไร ข้องใหญ่ที่ชาวบ้านได้ยินทุกเจ็ดวันก็ไม่เห็นมีพระภิกษุก็เดินกลับออกมาตามทางเดิมแต่ว่าท่านต้องแปลกใจมากที่ตอนขากลับออกมาพบว่าไอ้ทางที่ท่านเดินเข้าไปเนี่ยกลับมีบ้านคนเต็มไปหมดแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งมานิมนต์ให้ท่านนั่งบนอาสนะที่เขาปูไว้พระองค์นั้นก็แน่ใจว่าท่นานไม่ได้เดินหลงทางเป็นแน่เมื่อพิจารณาดูโดยละเอียดแล้ว ท่านก็ถามโยมว่าพวกโยมเนี่ยมาอยู่ที่นี่นานแล้วเหรอผู้ชายคนนั้นก็พยักหน้าพระก็ถามต่อไปว่าเออเมื่ออาตมาเข้ามาก็เดินผ่านทางนี้ทําไมถึงไม่เห็นบ้านเห็นเมืองผู้ชายคนนั้นไม่ตอบย้อนถามพระว่าท่านมาที่นี่ต้องการอะไรพระท่านก็บอกไม่ต้องการอะไรหรอกอยากจะเห็นคลองที่โยมตีอยู่ทุกเจ็ดวันเพราะว่าคลองใบนี้เสียงมันดังไกลเหลือเกิน โยมคนนั้นก็เดินไปหยิบคล้องมาให้ดูใบก็ไม่ใหญ่เท่าไรก็ถวายให้พระอาจารย์รูปนั้นเก็บไว้เป็นอนุสอ์จากนั้นโยมก็พาท่านเดินชมไปตามถ้ำพบสิ่งแปลกตาหลายอย่างโยมคนนั้นบอกท่านว่าสมบัติเหล่านี้เป็นของกลางแล้วก็จะมีอยู่อย่างนี้ตลอดไปชั่วกระรา น, นพระพิสูรรูปนั้นก็อัมลายโยมคนนั้นก็นำคล้องใบนั้นกลับออกมาด้วยเก็บไว้เป็นอนุสอ์ที่คนในถ้ำมอบให้ว่าเป็นหลักฐานยืนยันว่า เคยมีคนเข้าไปในถ้แล้วก็ได้ค้องใบนั้นมาเดี๋ยวนี้คล้องใบนี้ยังเก็บไว้ที่วัดพระธาตุแตงโมโในเมืองหลวงพระบางค้องที่ว่าไม่ใหญ่เท่าไรแต่มีเสียงดังกังวานกว่าคล้องธรรมดาทั่วไปที่ว่าขนาดใหญ่เท่ากันหรือว่าใหญ่กว่ามีเรื่องเล่าสืบต่อกันว่าพระภิกษุรูปนั้นหลังจากที่ได้คล้องมาแล้วท่านก็หายไปไม่มีใครรู้ว่าท่านหายไป